อาจารย์ครับกร่าวอม์กา ร, การครับผม อ, อรรถพรคุณหมอท่านผู้ชมทู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่84ครับผมตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าทำอย่างไรเมื่อใจเจอทุกข์ครับอาจารย์เพราะว่า ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้พวกเราทุกคนก็มีความทุกข์ร่วมๆกันทั้งประเทศในตอนนี้ครับเพราะว่ามีข่าวที่ทำให้พวกเรารู้สึกทุกข์กันอยู่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ทุกกายทุกใจพวกเราก็ประสบกันอยู่ทุกวันครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสพรอาจารย์ว่าพอเราเจอทุกข์อย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างไรครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับคือความทุกข์ของใจมีการพยายามที่จะดับมันมาทุกยุคทุกสมัย สมัยก่อนที่มีพระพุทธเจ้าจะมาตัดสร้ก็มีวิธีดับทุกข์ด้วยสองวิธีรูปแบบด้วยกันคือด้วยกามมีสุข เ, เวลาทุกกับไปเที่ยวกันไปเดิหนห้างไปจัดงานปาร์ตี้หรือทำอะไรไปชอปปิ้งหรืออะไรมันก็เอาความสุขบางกรบความทุกไว้ชัว่วคราวแต่เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าความสุขที่เราได้มา จากการเป็นเสพรูปเสียงกิ่นรสผลิภัณนี่มันเป็นของอั น, นิี้จังเป็นของชั่วข่าวพระเจากก้าเคยแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ด้วยวิธีนี้ตอนสมัยอยู่ในพระราชวงองก็ทรงมีประสานสามฤดูถ้าอยู่ที่นี่มันร้อนก็ย้ายไปหาที่ที่มันเย็นถ้าที่นั่นฝนตกมันชื้นก็ไปหาที่มันแห้ง อะไรมีภาษสามเรื่อก็ไว้เป็นวิธีดับทุกข์ของของคนที่คนมีกันใช่ไหมทำไมนี้คนเมงานก็น้อยก็บินขึ้นไปเชียงใหม่เยอะมากกว่านั้นก็ไปเมืองนอกไปที่ประเทศมันเย็นพรั่งมันหนาวมันก็บินมาประเทศไทยครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ใช้วิธีดับทุกข์ด้วยการมสุขพระเจ้าบอกมันนี่เป่นเสทางดับทุกข์อย่างแท้จริงเพราะว่าดับได้เดียวเดียว เดี๋ยวพอมาอยู่ที่นันสักักอย่างนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนขึ้นไปก็อ ย, อยู่ไม่ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือพวกฤาษีพวกโยคะโยคีทั้งหลายก็คิดว่าการดับทุกข์ต้องดับทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายให้ร่างกายมันเจ็บมันปวดมันจะได้มากรบความทุกข์มันก็กบได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่เพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ พระเจ้าว ja <ch> oui yep ่าเคยลองอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันวถ้าเราทรมานร่างกายแล้วเราจะถ้าเราทรมานมันได้เราสู้ว่ความทุกข์ของร่างกายได้เราก็จะดับความทุกข์ใจได้แต่มันก็ไม่ดับในที่สุดพระเจ้าก็เลยบอกว่าสองวิธีนี้ไม่ใช่ทางสู่การดับความทุกข์ก็เลยต้องย้อนกลับมาทบทวนวิธีการปฏิบัติของพค์ก็ทวเณนว่า วิธีที่น่าจะดับความทุกขได้อย่างแท้จริงก็คือการภาวนาการใช้สมถะนวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นดับความทุกข์ชั่วคราวด้วยการเข้าสมาธิพอจากสมาธิมาพอจิตเริ่มทุกให้ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรออกมาสงคลบกว่าความทุกข์เกิดจากความอยากสามประ ก, การกามัณหาภวะทันห า, า, ว, นหาวิภวะันหา ถ้าหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ก็ดับความทุกข์ได้และวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามก็ต้องใช้ความจริงศัจธรรมคือของสิ่งที่เราอยากได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกมืนกายไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกนี้มันลวนเป็นตายรักทั้งนั้น มันเป็นขาม อ, อ น, นิจจัไม่เทียมของชั่วข่าวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปความทุกข์ก็มาใหม่ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มาดับความทุกข์นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ดับได้ก็ชั่วข่าวเดี๋ยวมันก็พอสิ่งที่มามดับความทุกข์มันเสื่อมหมดสภาพไปความทุกข์มันก็กลับคืนมาใม เช่นเราอยู่คนเดียวเหนาอยากจะมีแฟนไปหาแฟนมาแฟนอยู่แล้วถ้าาเ ก, กิดแฟนเบื่อเราหนีเราทิ้งเราไปเราก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่สามารถควบคุมแฟนเรารับแฟนให้อยู่กับเราไปได้ตลอดวันดีคืนดีเขาอยากจะไปอาจจะไปด้วยวิธีหลายวิธีอาจจะไปเพราะความตายก็ได้แลเราก็ต้องมีการตัดหน้าตาอย่างหนึ่งคือมันเป็นอนิจจมันไม่เทียมมันไม่ถาวร ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เทียเท่ยงไม่เทาหมดเวลาที่เอามาใช้ดับความทุกข์เวลามันอยู่ก็ดับได้แต่เวลามันหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปมันก็ดับไม่ได้ให้เห็นใจรักในสิ่ง ต, ต่างๆที่เราอยากเอามาใช้ดับความทุกข์ใจเราเราใช้ เ, เงินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเงินทองราบยศได้ลาบได้ตาแหน่งมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเต็มตัวเลือกต่างวันนี้ มันทุกอย่างมันไม่มันไม่ถาวรแล้วก็มันมันได้อยู่ในการควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราได้ตลอดมันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันอยู่กับกฎของธรรมชาติที่แปรกรวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนดินฝ้าอากาศเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจ์เพราะความเป็นอนิจจ์ความเป็นอนัตตามเลยทาให้เราทุกเวลาที่มันเปลี่ยน เรามันเสื่พอเห็นด้วยปัญญาเห็นตายละเห็นว่าเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆก็ละความอยากนี้อยากไปอยากไปแ ส, สงงวงหาสิ่งต่างๆมาดับเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหามันก็ดับไม่ได้เหมือนกันเปกับทาําให้เราเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นใหม่นี่คือวิธีการดับทุกข์ทั้ง ที่ถูกต้องผู้เจ้าบอกเป็นทางสายกลางระหว่าวิธีสองวิธีที่สุดตรงระดับทุกข์ด้วยการหาการรมมาสุขเห็นไหมยุคนี้คนนั่มรวยกันแบบไม่ได้ใช่หไหมออนไลน์ขายของอะไนั่มรวยกันเริ่มต้นจากไ ม, ม ไ, มมไม่มีเงินไม่ทองพอได้เงินทองมาทำไมโอ้ใช้กันอย่างชาวบ้านนั่นแหลกซื้อขอ ง, งตา่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆคิดว่าซื้อแล้วจะดับความทุกข์ได้ก็ไม่ดับ ซื้อมาคันหนึ่งแล้วดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวความทุกข์กระโผไไมขึ้นมาใหม่เอบซื้อใหม่อีกคันหนึ่งจนซื้อเต็มบ้านเลยบ้านนี้ก็เป็นสิบสิบคันมีกระเป๋าเป็นน้อยร้อ ย, บยใบคิดว่าจะใช้เงินเท่งดับความทุกข์ใจนะนับไม่ได้นี่แหละคือความหลงถ้าเราเป็นหลงคิดว่าเรา รวยแนละ้วเราใหญ่โตแล้วนะเราจะสามารถอยู่ยามีความสุขปราศจากความทุกข์อ น, นั้นเป็นความเข้าใจผิด เ, เป็นการอยู่กับความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วพอวันดีวันดีพอหมดอำนาจหมดเงินหมดทองขึ้นมาทีนี้ก็จะจะโลกซึมเศร้าแล้วสิอาจะคิดค่าตัวตายกันนี่แวิธีดับทุกข์ที่ไม่ถูกอย่าไปดับด้วยการใช้การมัสุขมานแบบ อย่าไปดับด้วยการทรมานร่างกายเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทุกข์มันอยู่ที่ใจงั้น <Okay. S 1> ถ้าจะตอบสั้นๆว่าเวลาเกิดความทุกข์ใจจะทํางไง mm hmm. ก็มีสองวิธีวิธีแบบชั่วข่าวกับวิธีแบบถาวรวิธีชั่วข่าวก็ใช้สติเชนะ่นบริกรรมพุโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นะ พอเราสวดไปบริกรรมไปพอเราลืมเรื่องราวที่เราทุกเรื่องราวที่ทําให้เราทุกความทุกจะหายไปแต่มันจะหายแบบชั่วคราวพอเรากลับไปคิดถึงมันใหม่มันก็จะกลับมาใหม่เราก็ต้องบริกรรมใหม่สวดมนต์ใหม่ถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างท้าวลอยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทําให้เราทุกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขะนาตาหรือไม่ ถ้าพิจารณาเห็นว่เป็นเร่องนี้ชามันไม่เที่ยมแต่เราอยากให้มันเที่ยมใช่ไหมเช่นเอาทุกเพราะเราเกังวลกับเรื่องเงินทองที่จะที่ที่จะหมดไม่พอใช้เราอยากจะให้มีเงินทองใช้ตลอดเวลาไม่หมดใช่รับที่เราบังคับมันได้เป่ามันเป็นสิ่งยื้อปายใต้การบังคับของเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราบังคับไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เห็นว่ามันเป็น อ น, นิจจังเป็นอนัตตาที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นของเราตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเราห้าม ม, ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาในสิ่งที่ทําให้เราทุกข์พอพิจารณาเสร็จเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยมันไปอเราสั่งไม่ได้เงินมันจะหมดก็ั้อ ง, งหมดก็เราผ่าน อ, อยู่แบบคนจน เกิดมาเวลาเกิดมาก็ไม่มีเงินติดมาสักบาทแล้วก็หยุดได้แต่คนที่จะใช้ปัญญาแล้วหยุดความอยากได้ต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาเพราะว่ามีความสุขทดแทนอยู่แล้วไม่มีเงินทําก็เข้าสมาธิทนก็ได้อยู่กับความสงบก็ได้อันนี้ก็มีสองวิธีของคนส่วนใหญ่ก็คงต้องใช้วิธีสติที่ง่ายที่สุดคือบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือสวดมนต์ไปหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็เราใช้ดูก็ได้ <Okay. S 1> สิ่งที่เราอยากได้มันเราอยากให้มันอยู่กับเรา ม, ม, ม, มันไม่แน่นอนเะ <Okay. S 1> มันแสดงความไม่แน่นอนให้เราเห็นแล้วก็เหมืทุกข์กันอยากใช้ให้มันแน่นอนแต่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรถาวรแล้วเราไม่สามารถที่จะไปสร้าง ม, มันได้เรามีสองวิธีดับความทุกข์ใจ <Okay. S 1> วิธี อุบายของสันติอุบายของปัญญาของ น, นักทีอาจารย์ครับจริงๆอุบายของปัญญาก็คือเรื่องความอยากอ ย, ากอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็คือละความญยาคือความอยากตอนต้นมันทาให้เราทุกข์อยากได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้แล้วก็ทุกพอเริ่มอยากมันก็ถึงมาเช่นช่วงนี้เด็กอยากเข้ามาหาอะไรกันอันนี้สอบเป็นทารนกันหือ แ, แต่อยากได้เข้ามาอะไรก็ต้องทุกกับการที่จะต้องไปสอบไปอะไร เราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้มันก็เลยทุกข์ถ้ามันรู้ว่าสมัครแล้วสอบแล้วได้จะตกหรือไม่ตกก็ได้มันก็ไม่ทุกข์ใช่ไมแต่มันไม่รู้มันสิ่งที่อยากได้มันไม่แน่นอนมันก็เลยทุกข์กันต้องหมานอดสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บมงทีก็ไม่ได้และส่วนหญ่มันได้มาล่าเดี๋ยวก็เสียไปอยู่ดี ามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอยู่นี้ยง mm. อยากไปอยากเลยปะ <Okay. S 1> อยู่กับการไม่มีตอนนี้เราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ไม่เข้ามาอะไรเราก็อยู่ได้เราก็ไม่ทุกข์หรือถ้าอยากจะเข้ามาอะไรก็อยากไปอยากเข้าเพียงแต่ทำหน้าที่ไปถึงเวลาดูหนังสือก็ดูหนังสือถึงเวลาสอบก็ไปสอบได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีทัางนี้มันก็ไม่ทุกข์ถ้าทใจเป็นสันโดษได้ก็ไม่ทุกข์ ยินดีตามมีตามเกิดแต่ส่วนใหญ่ตอนมีความอยากแล้วมันไม่ยินดีตามมีตามเกิดแล้วมันต้องได้อย่างเดียวใช่ไหมปีนี้ลูกสาวผมก็สอบเหมือนกันครับอาจารย์เนียอินทันเหมือนกันนะใช่คขับลูกสาวกนเลยครับแล้วก็มีเด็กที่รับทุนตอนนี้ก็กำลังสอบมาอยู่พี่เมย์ครับผมก็ให้กำลางใจเขาขอให้เข้าได้นะขอให้สอบได้ครับแต่มันก็มีความหวังนั่นเองความจริงยังเป็นยังไงไม่มีใครร อาจารย์คับว่านั้นในแง่ของทุกใจทุกกายเนี่ยตอนอย่างตอนที่ผมขึ้นไปบนเขานะครับความทุกข์กายมันก็เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ความทุกข์กายมันเป็นความจริงกายไม่ทุกแบบเราทุกเพราะกายมากกว่าทุกเพราะกายเราอยากให้กายมันสบายเหมือนที่มันเคยสบายพอมันไม่สบายมันไม่อยู่ในที่ไม่สบายใจเราเลทุกแทนน้างกายแต่กายไม่ทุกแบบถ้ากายจะทุกมันต้องอด มันต้องเจ็บปวดตามร่างกายมีทุกขเวทนาถึงยอดทุกทางกายใช่ใชครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกทางใจสาเหตุที่ร่างกายไม่ไม่ไม่อยู่ในที่ที่เราอยากให้มันอยู่ร่างกายมไม่สุขไม่สบายเราเคยอยู่สุขสบายมีสิ่งตา่างอ้อมล้อมพอเราไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีอะไรห้อมล้อมมันก็เลยทุกมันอันนี้ทุกทางใจไม่ยช่ทุกทางกาย <pir> um. ถ้าไปอยู่ในป่าแล้วปวดท้องขึ้นมาปวดศรีรษะขึ้นมาอันเนี้ยทุกทางกายครับาน้ปวดแข้งปวดขาเหมือนกันครับอาจารย์ปวด ja. อันนี้มันก็ธรรมดาอยู่ที่ไหนมันก็เป็นใช่ไหมนั่งรถนานๆมาขับรถมามันก็เป็นปวดแข้งปนะวนนดขามได้เดินนานๆก็ปวดได้อันนี้เป็นทุกทางกายก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันก็มันก็เป็นสภาวะธรรมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ถ้าเราไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์ทางใจอีกชั้นหนึ่งเพราะใจอยากใช้ทุกข์ทางกายหายไปใช่ครับทำไมไม่หายจะทำไงไม่หายยังอยากให้มันหายก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้ายอมรับว่าไม่หายก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์ครับอาจารย์ครับวันนี้ได้คําตอบรวบรัดหลายเรื่องเลยครับอาจารย์ครับ ข, บขอบคุณ<ม>พระอาจารย์ครับ หวังว่าเพื่อนๆจะคลายทุกข์ลงบ้างเพราะวันนั้นโอ้โหที่ได้ยินข่าวกันนี้ก็ทุกเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ hmm. ยวผมข อ, อการถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณแต้มสีครับหลวงตามหาบัวเคยเทศว่าจิตเรานี้น่ากลัวหมายความว่าอย่างไรคะตั้งใจจะค้นคว้าเองแต่ยังไม่มีเวลาสักทีจึงขอถามพระคุณเจ้าคะ่ะที่มันน่ากลัวเพราะเรายังควบคุมมันไม่ได้จิตเรานี้ ถาเราควบคุมมันได้แล้วมันน่ารักแต่ตอนนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสของความโลภความโกรธความหลงทุกครั้งที่ความโลภความโกรธความหลงมันแสดงอาการขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความสร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมนั่นแหะมันน่ากลัวตรงที่ตอนตอนที่เรายังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เราอย่างสุก ฝึกผลอบรมมันไม่ได้ให้มันเป็นจิตที่เชื่องที่จะทําตามคําสั่งของเราไม่ได้มันจะนอกจากพยศอยู่ด้เหมือนม้าพยศเนี่ยมันเราไปจากม้าป่ามาขี่น้ากลัวไหมมาปที่ไม่เคยมีคนขี่เราขึ้นไปขี่มันดเลยเนี่ยมันก็พยศพยายามที่จะสลัดเราให้เรตกลงจากหลังมันให้ได้แต่ถ้าเราฝึกมันซ้อฝึกมันจนกระทั่งมันเชื่อมทรมานมัน มันทรมานมันจะนั่งมันเชื่อมต่อไปมันก็ไม่กล้าะยศเพราะมันรู้ว่าถ้ามันประยศเมื่อไหร่มันจะถูกลงโทษจากการทรมานกินเราก็เหมือนกันก่อจะเชื่อมได้ก็ต้องทรมานเนีอยู่ในป่าในเขานี่ก็เป็นการทรมานจิตนอดท่าวกินข้าววันละมือบางทีไม่กินหลายๆวันก็มีบางคนต้องทรมานให้มันเชื่อให้มันเชื่อม มันเดือเวลาให้มันอยู่ให้มันอยู่ดีกินดีถ้ามันเดื้อมันถจะไม่ฟังมันจะให้มันสงบมันไม่ยอมสงบมันจะเอาเรื่อยได้คืบจะเอาสอบได้สอกจะเอาว่าต้องดัดสันดานไม่ให้มันอะไรมันเลยครับอย่างนั้นแล้วต่อไปพอมันรู้ว่าพอมันจะเดือเมื่อไหร่แล้วก็ทรมารมันทุกครั้มไปต่อไปมันก็ไม่กล้าดื้อต่อไปมันก็น่ารัก เป็นสียงที่น้าน่ารังอย่างมากเป็นสมบัติอันเลิศ อ, อันประเสริฐหลังจากที่เราได้ฝึกฝนอบรมมันให้เป็นจิตที่เชื่องแล้วจิตที่ปราะศะจากความโลภความโกรธความหลงแล้เป็นจิตที่มหัศจรรย์เป็นจิตที่ให้ความสุขกับเราที่ไม่มีความสุ ข, ขอนไรใน่ลกนี้สามารถให้กับเราได้มาลงมาสึกนครับอาจารย์การทรมานแบบนี้ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับรอาจารย์ ใช่ต้องทรมานเาะจิตมันถ้าพูดกคำมันดีๆมันไม่เชื่อหรอกอย่าโลภนะอย่าโกนนะอย่าอย่าหลงนะพูดไปเถอะพูมันจะมันตายมันก็พยักหน้าเห่เห่เดี๋ยวมาเราเห่มันก็โผล่ขึ้นมานะทุกครั้งต้องดัดสันดานมันโลิกกูจะมาให้มันกินข้าวสามวันอย่างเงี้ยอย่างงี้มันกลัวเลยคืนที่สองก็คิดถึงอาหารแล้วครับอาจารย์ คุณปิยรัตครับการนักา ก, การพระอาจารย์ตอนที่รู้สึกตกหลุมในสมาธิจะแยกความรู้สึกว่าจิตเข้าสู่ความสงบหรือเผลอหลับได้อย่างไรคะถ้ารู้ถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาก็ก็ไม่หับแต่ถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้วิธี ม, าม า, มามาเดินตามาเกิดขึ้นมาอีกทีนี่แสดงว่าหลับต้องรู้เหมือนกับเราเนืน่งคุยกันตอนเนี้ยเราคุยกันเราหยุดคุยแล้วก็รู้ว่าเราห จิตเข้ามาในกาเวลาจิตคิดเราก็ต้องรู้วมันคิดพอมันหยุดคิดมันนิ่งมันสง บ, บเราก็ต้องรู้ว่ามันนิ่งมันสงบพ อ, อกจิจต้องเกิดตลอดเวลามันที่เราเติร์ดอยู่ตอนนี้ยม่ใช่นั่งหลับนั่งไปนั่พักผู้ตัวหายลมหายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาลุยทีอ่าวสามสิบนาทีผ่านขึ้นไปนะกลับมาลุยสึกตัวใหม่อันนี้ยนั่งหลับ คุณจันทิราครับกรณีสมองตายแสดงว่าถ้ารู้นี้ทิ้งร่างกายแล้วไม่ทราบว่าลูกเข้าใจถูกต้องไหมคะคิดว่ายังเหรอถ้าตาายร่างกายยังไม่ตายยังไม่หยุดทํางานจใจยังไม่หยุดเต้นจิตมันก็ยังอยู่กับร่างกายคุณมาริษาครับขอความแม่ตาเรื่องมนุษย์ เราชอบการเกิดแต่เกลียดการตายยิ่งตายแบบกระตันหันหรืออายุยังน้อยยิ่งเกิดความรู้สึกโศกเศร้าอะไรอวว์มากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพื่อเป็นมรณ า, านุสติครับก็ต้องพยายามสอนใจว่าเมื่อเกิดมรณะต้องพบกับความตายเป็นธรรมดาต้องพ้ยความตายไปไม่ได้พยายามเตือนสติสอนใจเรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นการจเจริญมรณ า, านุสติเพื่อเตือนใจให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อย เพื่อที่ใจจะได้ค่อยๆปรับปรับใจให้ยอมรับกับความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้ายัมเจริญไม่ได้คือแสดงว่าใจเราอ่อนแอขัดขาดขัดอุเบกขามากก็อาจจะนเป็นต้องฝึกสตินั่งสมาธิก่อนเพื่อให้ใจมีอุเบกขาพอที่จะสามารถเอามาใช้ในการเจริญมอนานุสติได้ ถ้าจเจริญมนานัสติแล้วจิตเกิดอาการหดหู่ขึ้นมาการอาการซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายย่งนี้ก็พิจารณามานานุสติไม่ได้ต้องหยุดการเจริญมานานุสติไปก่อนแล้วกลับมาจเจริญอานาปนาสติหรือพุทธานุสติทําใจให้เนี่ยงสงบให้มีอเบกขาก่อนแล้วตอนนั้นถึงจะพิจารณาเจริญมานานุสติและเลิกถึงความตายอยู่นี่เยได้ ถ้าเราเลือกถึงความตายแล้วใจสงบใจเย็นใจนิ่งแสดงว่าสามารถจเจริญ น, นานอนสติได้ไม่เป็นไม่เป็นอันตรายถ้าจเจรนานอแล้วเกิดอาการหดหูขึ้นมาเกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาก็าต้องหยุดหรนประทานยาถาประทานยาแ้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ไม่ถูกก็ต้องรับยาอาจจะกินยามากเกินไป คุณวีนาครับถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งคนที่อาศัยเกาะผ้าเหลืองจากการบวชของลูกหลานได้ไหมครับเพื่อจะได้ไป น, นิพพานคือการเกาะ น, นี่มันเป็นการพูดว่าเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองการเกาะจริงๆนี่ก็คือการที่เราต้องอทําตัวตามเหมือนคำโลกเราโลกบวชแล้วก็บวชตามนี้แล้วเกาชายผ้าเหลืองไม่ใช่เอาผ้าเหลืองของพระเอาโลกมามาจับ คือการที่ลูกของเราบวชนี่มันทําให้เรามีคนที่สําเร็จิดรู้จักสนิจที่เราสามารถศึกษาถามเรื่องราวของการบวชได้ว่าบวชแล้วได้อะไรมีประโยชน์อะไรยินทถ้าลูกเราบวชแล้ว ล, ลูกเราบรรลุธรรมเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็จะสอนเราว่าบวชตดียังไงพอเราได้ยินได้ฟังเราก็า จ, จะเกิดศรัทธาอยากจะบวชตามอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหม พระเจ้าตอนที่ตัสลุน่าก็ไปโปดในวางประเทศแสดงทําให้ก็มียาติพี่น้องเกิดศัทธาขอออกบวชกันอันนี้เรื่องความหมายของการเกาะชายพระเลยหมายถึงต้องเกาะแบบนี้ไม่ใช่พอบวชปุ๊บแล้วเราจะเกาะได้เลยถ้าลูกเรายังไปไม่ถึงไหนต่อะป็นยังไงมันก็ไปไม่ถึงไหนถ้าลูกเราบวชแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ บวชเพื่อที่จะเอาเอาเวลาว่าได้บวชทดแทนบุญคุณวันวันหนึ่งต้องรอนั่งดูวันสึกกันคิดดูเรื่องวันสึกกันไม่มีกติกาใจที่ศึกษาปฏิบัติธรรมบวชอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรนายาโยนก็จะไม่ได้อะไรตา่างเพราะเราจะอาศัยพระที่บวชนี่ยมาสอนเราเนี่ยมาสอนมาบอกเราเพราะพระลูกอื่นเราอาจจะไม่มีศรัทธาแล้วอาจจะไม่เชื่อ แต่พ่อของเราลูกของเราเนี่ถ้าเราเข้ามาพูดแล้วครับก็อาจจะเชื่อเขาเห็นการบวชที่จะได้ผลประโยชน์ให้กับผู้บวชเองต้องบรรลุธรรมก่อนต้องได้ผลประโยชน์ก่อนแล้วเอาผลประโยชน์ที่ได้รับไปสอนไปบอกแล้วญาติพี่น้องก็อาจจะเกอ่อศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ได้อยู่นี่ถ้าถ้าไม่เชื่อลูกพูดอะไรอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่งนี้ แต่ไม่เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อที่2ครับการนั่งสมาธิที่บ้านกับที่วัดป่าได้บุญเท่ากันไหมคะแค่สภาพแวดล้อมและแบบทดสอบต่างกั น, กนคือสภาพแวดล้อมนี่มันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดผลง่ายขึ้นหรือไม่หรือยากถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบมีเสียงเอกร้กงเครื่องโคมมีแสงสีเสียงมายุโยนคนใจ มีบุคคลตา่างๆมาคอยรบกวนมาคอยคุยมาคอยอะไรกับเราเนี่ยเวลาการปฏิบัติของเรามันก็จะไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราไปอยู่ที่สงบจะเป็นมอดก็ได้เป็นที่เป็นบ้านที่สงบอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจไม่มีแสงสีเสียงการปฏิบัติในสภาพร้อนร้อมที่สงบนี่ย่อมดีกว่าในสภาพร้นร้อมที่ไม่สงบไม่สงบวิเวก มีคำพูดว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกกายต้องสงบสงัดก่อนต้องเอาล่างกายไปอยู่ที่สงบสงัดก่อนแล้วความสงบสงัดของจิตก็จะตามมาอย่างง่ายดายคุณวัสดุครับพระอาจารย์มีข้อคิดหรือกสโลบายหรือวิธีทําให้เวลาใจของหนูเผลอไปคิดถึงคนที่หนูแอบชอบอย่างน้อยหนูก็ยังจะมีสติที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ไม่ใจ อาจารเวลานึกถึงเขาไหมคะถ้าเปิดไปคิดได้สติก็ทำพุทธธพุโทโธไปหรือเล็กๆถึงาสุภะก็ไดนึกถึงถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้สมมุติถ้าเขาอยู่กับเราน่าเกิดเขาตายไปวันนี้เรายังจะเก็บร่างกายเขาไม่อยู่กับเราสักคืนไหมคิดถึงความตายของเขาบ้าง ก, ก็ได้ถ้าเกิดเขาตายไปเราเล ย, ยจะรักเขารึา คุณสมพรครับในช่วงที่จิตใจเราเจอทุกข์เราต้องอยู่กับความทุกข์ให้ได้ยอมรับมันเมื่อถึงเวลามันก็จะหายไปเองเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็มันมีทุกข์สองอย่างทุกข์ที่เราดับไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปคือทุกข์ทางร่างกายเช่นเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเนื้อวิธีรักษาวิธีรักษาต่างๆนั้นก็รักษาไม่หายมันก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายหรือไม่หาย แต่ทุกที่เราดับได้คือความทุกข์ใจทุกที่เกิดในใจเราเกิดจากความอยากของเราเราก็ดับได้สองวิธีดับด้วยสติทำพุโทโธพุโทโธไปออยากไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้พอเราดืมมันไปความอยากได้ก็หยุดไปเชื่อคาความทุกข์ก็หยุดไปเชื่อคาแต่ถ้าอยากจะให้โดดจากเท้าก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ได้มาแล้วมันไม่มาดับความทุกข์ที่เราอยาก อยากที่ที่เราอยากต้องการมันดับได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็จะทําให้เราทุกข์หมายเมื่อมันเปลี่ยนไปหรือหมดไปอันนี้ก็ดับด้วยปัญญาเห็นทุกทางใจนี้ดับได้ทุกทางร่างกายบางอย่างก็ดับได้ถ้ามีหมอมียาอินยามีมีหมอแนะนําวิธีรักษาก็อาจจะทําให้หายได้อต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมอไม่มียาที่จะมารักษาเรา ก็ต้องอยู่มัไปถ้าเราไม่อยากจะทําให้ใจเราทุกอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องต้องยอมรับกับความทุกข์ของทางร่างกายไปแม้แต่มีหมอที่ก็ฆ่าไม่ได้หมอใช้คีมโมให้กับเราเงี้หมอทําคีมโมให้กับเราหมอว่าทําให้เราเจ็บเราก็ต้องทนอยู่กับความเจ็บไป คุณรัชนีครับกาเบรียนถามว่าพระอริยะที่สําเร็จแล้วได้เจอกับพระที่พันธะมากกว่าแต่ยังไม่สําเร็จเป็นพระอริยะต้องกราบไหว้หพระพรรษาสูงหรือไม่ครับกราบไหวอยู่เป็นปกติอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกเรนะาเพราะว่าจะทางทางด้านจิตใจเราไม่รู้เนี่ยจิตใจท่านเป็นอะไรท่านเป็นพระที่สูงกว่าเราหรือไม่เราไม่รู้นอกจากว่าถ้าเรามีโอกาสได้สนทนาธรรมกันทดสอบภูมิปัญญากัน อันนี้ก็อาจจะพรู้ได้ว่าท่านมีธรรมสมกับเราหรือไม่ถ้าเราไม่รู้เราก็ถือดักของทางโลกไปผู้น้อยพรรษากว่าก็ให้ขอบเคารพต่อผู้ที่มีพรรษามากกว่าแม้แต่ในทางโลกก็ยังมีเช่นถึงแม้ผู้ที่มีพรรษาน้อยกว่าได้ตําแหน่งที่สูงกว่าเป็นสมเด็จก็สังฆราชในได้ตําแหน่งเป็นศาลาแต่พรรษาน้อยกว่าพระอีกรูปหนึ่ง เวลาไ ป, เ, ป, เ, ปเจอพระที่มีพรรษามากกว่าก็ต้องกราบท่านเพราะทํ า, ทาพระเราเรายึดถือพรรษาเป็นหลักนํางไม่ยึดถือตําแหน่งทางทางทางโลกเป็ น, เ ป, นเป็นการใช้การนับความมั่วสุมเนื้อแมเมื่อพันเตอสมเด็จภาษาังฆราชบางทีท่านไปกาบครูบาจารย์สายปฏิบัติทางโลกที่มีพรรษามากกว่ า, ท, า, า, วาท่านก็กราบครบาจารย์เพราะท่านพรรษาอ่อนกว่า เคยเห็นรูปที่ท่านกล่าวหลวงปู่ฟั่นอย่างนี้นใช่ไหมครับอาจารย์ใชคค่คุณปียรัตครับต้องใช้ธรรมะใดในการรักษาโรคกลัวที่แคบครับอาจารย์ที่แคบก็อย่าไปอยู่ก็แล้วกั น, นถ้าไปอยู่ในที่แคบก็หลับตาแล้วพยายามหลับตาแล้วพุทโธเหมือนว่าเรานอนหลับไปก็ปนนนนนกแล้วกันเวลานอนนอนหลับเราก็ไม่รู้อยู่ในที่แคบหรที่กว้า เราต้องใช้สตินะใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาวนดมันไปก็ได้อันนี้ขออนุญาตไม่เอาขึ้นนะครับแต่อ่านคำถามเพราะมีชื่อบุคคลอื่นนะครับอาจารย์มีไลฟ์โค้ชผู้ฝึกสอนด้านชีวิตชื่อดังเขาศึกษาพระพุทธศาสนามาเขาบอกว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่แท้จริงโลกนี้เป็นแค่โลกสมมติส่วนโลกที่แท้จริงคือโลกของวิญญาณอย่างนี้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไหมครับ คือทั้งสองโลกมันก็เป็นเป็นโลกของมันโลกที่เราอยู่เรื่อเรื่องโลกกับธาตุโลกที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟกับอากาศสทธาห้าห้าห้าธาตุด้วยกันทําให้ปรากฏมีดวงดาวดวงผ้าที่อะไรนี่ก็อยู่ในถือว่าอยู่ในโลกกับาตทั้งสิ่งที่เราเห็นในท้องฟ้าดวงดาวต่างๆนี่ก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟดินน้ําลมไฟเป็นส่วนประกอบ แล้วก็แล้ก็แล้วก็ล่อง ล, ลอยอยู่ในอาวากาศธาตุอ า, ากาศอวกาศที่กว้างใหญ่นี้เรียกว่าอาวากาศธาตุอันนี้เป็นโลกหนึ่งจะเรียกว่าจริงหรืไม่จริงมันก็มีของมันนะเห็นไหมอีกโลกหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเนาเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยอันนี้โลกที่ดวงวิญญาณทุกดวงอยู่กันดวงวิญญาณของเราตอนนี้ของคุณหมอของเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกธกาตุนะ มันอยู่ในโลกเิพอยู่อีกมิติหนึ่งโลกทิพนี่เป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งอีกไดนเอ็ไดเมนชันหนึ่งเราอยู่ในโลกพระธาตุเป็นอีกไดเมนชันหนึ่งแต่โลกทิพนี่สามารถมาเชื่อมต่อกับโลกระธาตุได้ด้วยอํานาจของกระแสวิญญาณของของกายทิพแต่ละดวงของจิตแต่ละดวงจิตทุกดวงนี่จะมีนามขันธ์อยู่สี่ใช่หไหมอยู่เมตนาสัญญาสัมถานวิญญาณ วิญญาณนี่แหละมีไว้สําหรับมาเชื่อมต่อกับร่างกายที่อยู่ในโลกกฐาตตอนนี้ใจเราส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกมิ้นกายเพื่อจะได้รับรู้ลูกเสียงกลิ่นลดลของโลกที่มีอยู่ในโลกนี้ในโลกกฐาเป็นการติดต่อก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับสมัยนี้เขาส่งยาอ า, ากาศขึ้นไปสํานาวจคู่วบคุมยาอากาศนี้ไม่ได้อยู่ในยาอ า, ากาศ เราก็คุมอยู่ที่บนโลกนี้แต่เป็นต่อกันได้ด้วยสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณวิถยุแล้วก็สั่งการให้ยานอวากาศทําอะไรต่างๆตามคําสั่งได้การไม่ได้อยู่ที่เดียวกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยานอวากาศก็ไม่มากระทบกับผู้ที่อยู่ผู้ควบคุมยานที่อยู่บนบนโลกนี้ชันใดเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่มากระเทืนกับ ผู้ที่ควบคุมเนื้อสัมการร่างกายนี้อยู่คนละโลกกันต่อไปในข้างหน้าโลกนี้ะอะร่างระเบิดเป็นเสียงๆทั้งวันหนึ่งเนื้อเส้นสุดลงอาจจะทําอาจจะดวงอาทิตย์ดับไปสมมุติถ้าอาทิตย์หมดแสงสว่างหมดความร้อนโลกเราก็อยู่กันไม่ได้เพราะที่เราอยู่ได้เพราเราต้องอาศัยธาตุธาตุไฟจากดวงอาทิตย์มาเป็นส่วนประกอบเพอไม่มีธาตุไฟมีแต่ดินกระนางง้ากระลม มันก็น่าว่าแข็งกลายเป็นน้ำแข็งไม่หมดแม้ชีวิตต่างๆที่เคยมีอยู่ก็เส้นสุดลงดวงจิตที่มากกอนกับชีวิตต่างๆก็เพียงแต่นับการติดต่อเท่านี้วิญญาณก็ย้อนกลับไปแล้วก็ไปส่งวิญญาณไปหาชีวิตที่มีอยู่ในโลกใหม่เพราะในจักรวาลนี้ไม่ใช่มีโลกที่โลกเดียวที่สามารถมีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ยามี นอกอีกมากมายดวงดาวต่างๆมากมายที่เราไม่ได้สํารวจแตที่มีศักยภาพที่ยจะมีมีสิ่งที่มีชีวิตเหมือนสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ได้ดีงวิญญาณเขาก็จะส่งกระสาบไปเกาะที่สิ่งที่มีชีวิตอีกลอีกดวงอีกดาวอีกดวงตอนนี้จะมีดาวย่อแยะไปหมดที่มีมีมนุษย์มีสัตว์เหมือนที่เรามีอยูบนโลกเหล่านี้ แต่ก็อยู่ห่างไกลกับเรามากจากกนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะติดต่อและรับรู้ได้ว่ามีเขาอยู่แต่ก็มีความพยายามเนี่ยคนนักปยะศาสตร์ทุกวันนี้พยายามที่จะติดต่อกับสิ่งที่มีชีวิตในอีกโลกหนึ่งเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมีมากกว่าไม่มีเขาพูดตามตักรกะแล้วถ้ามองตามตารรกะของของศาสนายิ่งต้องมีแน่ๆเพราะดวงวิญญาณมันจะไปไหนลมันก็ต้องไปหาบ้านกายอใหม่ที่โลกใหม พ, พาจ้าจันบอกว่าเราไม่เคยต้องเป็นอะไรไปกับร่างกายนี้เลยตลอดมาเลยใช่ไหมครับร่างกายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมครับใช่มันเป็น้นยนต์คันเนึ่งมันมันเกี่ยวตรงที่เรามันรัใช้เราเนี่ยเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราใช้ร่างกายเพื่อรับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้วกายมาเสกเพราะความอยากเสพโลกเสียงขิดรถยึ่งทำให้เราต้องส่งกระแสมาหาร่างกายมาเกาะที่ร่างกายเวลาที่มีการปฏิสนธิ เวลาที่มีการประสมพันธว่างของพ่อของแม่เอมันเริ่มฟักตัวปั๊บดวงวิญญาณก็มากกอะทันทีเลยมาจับจองเลยดวงวิญญาณไหนมาก่อนมาเจอก่อนก็ออกไปก่อนเึมกับหาที่จอดรถอ่ะบางทนจอดรถที่ต้องขับหาที่ว่างขึ้มนมาีมีรถถอยออกมา ป, ป, ปั๊บพอเขาไปปุ๊บเราก็สอดเข้าไปเลยรอย่างเงี้ยหาที่จอดรถตอนที่เราพ้นจาก สภาพของอำนาจของบุญของบาปแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรากําลังรอรับจ้างกายคุณอัญเชลีครับรบกวนสอบถามพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้มีรับจ้างปักบาตรโดยที่เราไม่ต้องไปใส่บาตรเองจะมีคนไปใส่บาตรให้เพียงแค่เราโอนเงินให้เขาแบบนี้ได้บุญเท่ากันเหมือนกันไหมคะได้ถ้าเราเสียเงินไปแล้วก็ได้คือการทําบุญนี้เพื่อคือการเสียสละเงินแม้จะถูกก็แล้วเราก็ได้บุญ ถ้าเรายังเชื่อว่าเราว่าเราเราถ้าเรายัางยินดีที่จะเสียเสียสละมันนั่นไปเพียงแต่ว่ามันถ้าเสียสละแล้วเป็นการส่งเสริมคนวิจฉาชีพก็ถ้าเรารู้เราก็ไม่ควรทันนั่นเองแต่ก็คิดว่าเป็นเงินให้ขอทานไปหรือให้ขโมยไปก็ได้ขโมยมันก็ต้องกินข้าวเงอ น, น <c oughs> <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะได้บุญ <c oughs> แต่ถ้าเคิดว่าโอ้ยมันขโมยเงินข อ, องเราไปมันหลอกเรานี่เราโกธรเราจะไม่ได้ เราเกิดความเสียใจดังนั้นเวลาเราทําบุญไปแล้วอย่าไปคิดว่าใครได้รับหรือไม่ได้รับเลยถือว่าเราให้ไปแล้วถ้าเป็นบุญกรรมของใครคนนั้นก็เอาไปก็แล้วกันใครมีบุญก็เอาไปใครไม่บุญไม่มีบุญกาไม่ได้ถึงแม้เราตั้งใจจะให้คนนี้แต่ถ้าเขามีกรรมมาบังไว้เขาอาจจะไม่ได้บุญที่เราถัำมาได้อาจจะเป็นคนอื่นมาแย่งมา่อนมาได้ <Okay. S 1> ก็เราก็อย่าไปเสียใจแล้วอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปคิด เราคิดว่าเราทำหน้าที่ของส่วนของเราเรียบร้อยแล้วก็เราได้เสียสละแบ่งปันไปแล้วส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์อันนี้จะถึงผู้ที่เราตั้งใจเลยไหมก็สุดแท้แต่ถ้าเราต้องการให้มันมั่นใจเราก็ไปมากกว่มือของเราเลยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ไปมากกว่มือเราไม่รู้ไหนว่าเขาทําหรือไม่ทําใช่ไหมยินตอนนี้มีเนี่ยสายพินตาบากแล้วเนี่ยมีญาญมสับ ข, ข้าวแล้ทุกเช้าเวลาก็ถวายของให้เราก็ถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ ส่งไปให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเขาก็เห็นภาพว่าเราได้รับอาหารแล้วเขาก็อนุโมทนาดีใจและได้ทําบุญแล้วแต่ควาจริงเขาได้ทําตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้รับรู้ว่านเราได้รับของนั่นหรือไม่นะเพราะเขาได้เสียสละเงินก้อนทั้นไปนะคุณสมพรครับโยมไม่ฟังข่าวสารบ้านเมืองอะไรเหมือนแต่ก่อนแต่จะฟัง คลิปครูบาอาจารย์ต่างๆจิตใจสบายกว่าไปรับฟังข่าวสารบ้านเมืองใจผ่อนคลายกับการฟังธรรมะมากกว่าอย่างนี้แสดงว่ายโยมมีจิตใจใฝ่ทางธรรมปิดข่าวสารกิเลสทั้งโลกเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่มันก็เป็นขั้นต้นของการปฏิบัติธรรมก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมด้อย่างถูกต้องเราก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติก่ อ, น ด, น, กอ น, นดูแผนที่ก่อนเราต้องดูแผนที่ก่อนว่าเราจะเดินทางไปที่นี้ไปสถานที่นี้จะไปอย่าง ไปถนน้ายไหนไต้องศึกษาก่อนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติก็ได้คําถามนี้ไม่จบนะครับอาจารย์ภูตสุกัญญาเคยถามพระอาจารย์ทําอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิแล้วปวดหัวพระอาจารย์ก็แนะนําแต่นําไปปฏิบัติก็ยังปวดหัวอยู่จนเมื่อวันพระที่ผ่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิดูตามจิตโดยไม่เพ่งจิตจะสั่นสายไปทางไหนก็ดูตามจิตไปปวดตาม นล้วเป็นยังไงถ้าทําแล้วมันไม่ปวดก็โอเคการ จ, จะรการเพ่งมากเกินไปก็อาจจะเป็นเหตุของการทําให้จิตทำให้ร่างกายปวดได้คือความอยากเนี่ยมันทําให้ใจใจเครียดแล้วความเครียดของใจมันก็เลยไปกระทบกับร่างกายได้ทําให้ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาได้ยิเวลาเราทำเราอยากไปเครียดกับการทำเราให้ทําทําใจสบายสบายส่วนมันไปสบายสบายหรือดู ดู ด, ดูลงไปนั่นทำอะไรไปแบบสบายๆอย่าไปเครียดว่าต้องได้ต้องไ ด, ตงได้ต้องได้ผลอะไรอต่อางครั้งจะเกิดความเครียดอยู่ที่ว่าจิตไม่เคยนั่งอยู่เฉยไงพอจิตมันนั่งอยู่ีเฉยแป๊บหนี่มันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านมันก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดได้งั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากหน่อยเพราะถ้ามีสติมากพอสมควรนะมันจะ มันจะทําให้ใจลดความปฏิกิริยาการต่อท้านเวลาที่เราจะนั่งเฉยๆได้เราจะต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนคุณวีนาครับการปฏิบัติทำใดที่จะได้บุญสูงสุดเช่นรักษาศีลทาบุญนั่งสมาธิหรือการฟังธรรมครับก็บุญสูงสุดก็คือบุญที่เราทําที่เราปฏิบัติได้ น, นนะครับเป็นบุญสูงสุดสําหรับเราถ้าเราไปทำปฏิบัติ บุญที่มันเราปฏิบัติไม่ได้ถึงแม้จะเป็นบุญสูงสุดเราก็ไม่ได้อยู่ดี่อย่างตอนนี้เราปฏิบัติบุญอันไหนได้ทำอันไหนได้เราปฏิบัติอันนั้นไปก่อนแล้วค่อยค่อยพัฒนาต่อไปเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนการเรียนหนังสือเราเรียนในชั้นไหน เ, เขาเรียนชั้นนั้นก่อนไม่ใช่ว่า เ, าเราอยากจะได้ปริญญาเอกเพื่อได้ได้ความรู้มากที่สุดก็ไปเรียนปริญญาเอก โดยที่เราไม่มีความสามารถที่จะเป็นอย่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีนถ้าเรายังอยู่ในระดับปฐมอยู่เราก็ต้องเรินในระดับปฐมของเราไปก่อนเจนตอนนี้คุณทําปฏิบัติทำขั้นไหนได้ก็ทําไปก่อนทําทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมหรือภาวนาได้อย่างไหนทําได้ก็ทําไปเลยนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิไปเลยจเจริญปัญญาได้พิจารณาตายรักปล่อยวางได้มรุษทําได้ก็ทําไปเลย ที่ทําได้หรือเปล่าครนี่คุณมาโน้ตครับขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับเป็นคนสงสารหมาจรจัดมากตัวรู้สึกทุกข์ใจขอแค่แนะนําว่าควรทาอย่างไรดีคะก็ต้องพิจารณาว่าเราสามารถช่วยหมาได้บางตัวแต่เราจะไม่สามารถช่วยหมาทุกตัวได้เนี่ยเราก็ช่วยไปเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาแล้วกัน เราจำทำบุญมาไม่มากพอเลยไม่มีใครมาเมตตาช่วยเหลือเขาก็ได้ส่วนพวกที่เราช่วยเหลืออาจจะเป็นพวกที่เคยทำบุญมามากก็เลยมีคนมาช่วยเหลือก็ได้ให้คิดว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาก็ื่อไกันต้องมีอุเบกขาต้องยอมรับ ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายมีบุญมียกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนัในไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คุณทีระครับคําถามครับคนเราต้องปฏิบัติให้มีสติหรือรู้สึกตัวให้ได้ตลอดทั้งเวลาตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นให้เรามีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าให้ใจคิดไปคิดถึงเรื่องอื่นเมือไปคิดถึงเรื่องอื่นแสดงว่าเราไม่มีสติอยู่กับงานที่เรากําลังทำ คุณแต้มสีครับการนั่งสมาธิเมื่อเราเข้าฌานได้แต่ละครั้งพลังจิต ท, ที่เคยสะสมมาจากการทําสมาธิจะสูญเสียไปบางส่วนใช่ไหมคะใช่ความสุขความเย็นความเป็นอุเบกขาของจิตมันจะจางออกไปเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแต่เราก็สามารถกลับเข้าไปเติมใหม่ได้ทุกครั้งถ้าเราเคยเข้าไปไดเ้เราก็จะกลับเข้าไปได้และอย่างง่ายดาย ถ้าอยากจะให้ความเย็นความสุขของเราอยู่อย่างยั่งยืนทาวนไม่เสื่อมล้วต้องใช้ปัญญามาป้องกันมารักษาเพราะสิ่งที่จะมาทําลายก็คือความคิดไปทางกิเลนนั่นเองเราก็ต้องสอนใจอย่าให้คิดไปตามความอยากความโยกความโกรธต่างๆด้วยการใช้ตรายักษ์มาสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เทีย่ยงอยากก็อยากได้ได้มาแล้วจะทําให้เราทุกข์เราก็จะละความอยาก เพอาะับความโลภได้เขาไม่มีความนับไม่มีความโลภความอยากใจที่สงบเย็นก็จะไม่เสื่อมใจที่ออกจากสมาธิมาสงบเย็นแล้วก็จะไม่เสื่อมคุณแคทครับการนมัสการพระอาจารย์เจ้าขาพออายุมากขึ้นก็คิดว่าไม่อยากทำงานอยากมีเวลามากๆเพื่อได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรม แต่สิ่งที่จะเสียไปคื อ, อไรายได้คือเงินที่สามารถไปทําทานได้น้อยลงเพราะเงินจะไปทําบุญเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปได้เลยทําให้กังวลเรื่องอยากทําทานค่ะ อ, อ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทําทานได้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราคนระับไว้ให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขามีมีมีกำลังที่จะทํา ท, ทานทําไปเราก็ไปทําหน้าที่ที่ดีกว่าคือการไปภาวนาไปปฏิบัติธรรม ไม่ยั้นพระทุกองก็แย่ที่มาบวชแล้วก็ไม่ได้ทำบุญทำทานกันเลยมีแต่รับทานอย่างเดียวใชนั้นเพราะว่าท่านไม่ท่านไม่มีภารกิจทางด้านทำทานนะเพราะท่านเห็นว่าการทำบุญอย่างอื่นสูงกว่ามีอยู่ที่เราต้องให้เวลามากกว่าการทำทานเพราะยังนไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่ได้ทาทานแต่เราเอาเวลาทำทานไปปฏิบัติธรรม น, นี้ถือว่าไม่เสียเวลาถือว่าแรกเปลี่ยนจากการ ทำประโยชน์ส่วนน้อยไปสู่การทำประโยชน์ส่วนใหญ่กว่ามากกว่าเท่านั้นเองคุณอีฟครับการสู้กับการมราคะจะต้องเข้าสมาธิให้ใจมีอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค้าถึงจะสามารถสู้ชนะการมราคะได้คือถ้าเข้าสมาธิเราก็หยุดการมาราคะได้ชั่วขา้าวแล้วก็อยากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องของ หน้าดูหน้าชมน่ารักก็จะเกิดการขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้การหายไปอย่างถาวรก็า้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูอวัยวะภายในของร่างกายแล้วดูเวลาที่ร่างกายเป็นซากศพอย่างนี้มันก็จะทําให้เราละการมาละค้างได้อย่างถาวรคุณธีระครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสติหรือรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาแล้วครับ ก็รู้ว่าเราไม่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่าไปคิดถึงอดีตไม่ได้ว่าไปคิดถึงอนาคตไม่ได้ว่าไปคิดถึงคนนั้นคนนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพียงเรื่องเดียวเช่นเราเปลี่นแปลงฟันก็ให้เรารู้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวพอเราไปรู้ก่อเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราเพลยแล้วหรือถ้าเราใช้คํำอะไรคำพูดโทแล้วก็ต้องมีคำอะไรคำพูดโธอยู่ตลอดเวลา พอหยู่พูดถธเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราผลาอแลนอกจากว่าเราไม่ถ้าเราอยู่พูดถัวเพราะเราเพราะไม่มีอะไรคิดเราก็ไม่เผลอเรายังรู้รู้ตัวอยู่แต่ถ้าเราอยู่พูดโธแล้วเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราผลอไม่มีสติแล้วคุณวีนาครับเราสามารถลดละกิเลส ก, กิเลสเพื่อไม่ให้ใจทุกข์ได้โดยไม่เข้าสมาธิแต่จะข้ามไปใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดอุเบกขาได้ไหมคะ ถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่มีอุเบกขานี้เราไม่มีกำลังแม้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเราอยากได้มาจะทําให้เราทุกข์เนแต่เราจะห้ามความอยากไม่ไหวอย่างคนที่ติดยาเสพติดนี้เขาก็รู้ว่าเสพยาเสพติดไม่ดีเสพแล้วติดเวลาไม่มีเสพ จ, จะทุกข์แต่เขาห้ามใจของเขาที่จะไปเสพไม่ได้เพราะเขาไม่มีอุเบกขาพอถ้าก็มีอุเบกขาพอต้องเห็นโทษของการ องการเสพยาเสพติดว่าจะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ลดความทุกข์เขาก็จะไม่เสพยาเขาก็จะเลิกได้มีคุณแพทรายงานพระอาจารย์ครับบอกว่าได้แผ่เมตตาตามที่พระอาจารย์สอนค่ะได้ซื้อบัตรของขวัญให้เพื่อนสนิททานอาหารร้านโปรดทั้งครอบครัวเพื่อนดีใจมากค่ะถ่ายวีดีโอให้ดูรู้สึกสุขใจค่ะนั่นแหละคือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำํำ ไั่นั่งสวดคนเดียวขอให้เขาอิ่มขอให้ให้เขามีอาหารดีๆกินเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้กินตองนี้ก็ได้กินนี่แห ล, ละนี่แหละคือการแผ่เมตตาแบ่งปันความสุขของเราให้กับผู้อื่นบ้างเรามีเงินมากเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปทําประโยชน์สุขให้แกบผู้อื่นพอเขาไดความสุ ข, ขเขาก็จะรักเราชอบเรา ผลของการมีความเมตตาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีผู้มาคอยคุ้มครองดูแลเราคุณประชาะครับจะทราบได้อย่างไรครับว่ามีสติเพียงพอที่จะฝึกวิปัสสนาครับออก็ต้องมีสติพอที่จะทำให้จิตดวนเป็นสมาธิให้ได้ก่อนจิต เ, เขา้าม่จิตรวนเป็นสมาธิสักแต่ว่าเรม มีเบกขมีความสดที่เกิดจากความสงบก่อพอเราได้ระดับนั้นแวเวลาออกจากสมาธิมาแ ล, แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาความตายได้เพราะถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบแล้วเวลาเราพิจารณาความตายเดี๋ยวเราจะรู้สึกเฉยๆการได้ให้พิจารณาความตายเพื่อเตือนความจำนั้นเองไม่ให้เราลืมเพราะถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่คู่กับใจเราตลอด ต่อไปเราก็จะไม่กลัวตายเพราะเราร่วมันจะต้องตายแล้วเรายอมรับความตายได้่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีเวทขังเราไม่จะไม่อยากจะคิดถึงความตายคิดถึงความตายในไรเก็ความรู้สึกโกหูขึ้นมาพิจารณาไม่ได้พอไม่พิจารณาก็เลยลืมเนื่งความตายไปพอไปเจอข่าวของคนตายปั๊กก็ตกใจขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายเลย เพีนแต่ได้ยินข่าวของคนที่เรารู้จักตายให้เราก็ตกใจขึ้นมาเพราะเราไม่คอยเตือนใจเราว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันคุณแพทครับการที่ไม่สามารถระงับความอยากซื้อสิ่งของทั้งที่พอได้มาก็ดีใจแค่แป๊บเดียวเป็นเพราะสติเราไม่แข็งแรงพอใช่ไหมคะใช่สติรูปเป้เบะขายยังมีน้อยอยู่เราพยายามฝึกสติสมาธิให้ ม, มากๆนั่งสมาธิให้จิตสงบนาน และจะมีกาลังสู้ครับเนี่ยเรามีปัญญาเนี่ยในกรรไกรณีที่มีปัญญาแต่ไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิก็ไม่มีกาลังที่จะสู้กับมันได้คุณสมพรครับบางครั้งโยมีจิตใจแบบเห็นแก่ตัวสเสมือนใจหยาบไม่ค่อยมีเมตตาไม่ค่อยมีอารุณามากนักสเสมือนใจเห็นแก่ตัวคุณมัวอย่างนี้แสดงว่ากิเลสรักโลกโกรธหลงยังครอบงําอยู่ต้องปรับแก้ไขยังไงครับ ก็ อ, อย่างที่บอกอย่างถ้าไม่มีเมตตาก็แผ่เมตตาด้วยการกระทําำสิอย่างที่โยมเมื่อกี้พูดมีของอะไรก็ซื้อไปให้เขาแบ่งปันให้เขาซื้อบัตรกำนัลเรืออะไรไปให้เขามี่ใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะแผ่เมตตากสาวกสาวไงสาวกสาวต้องการ ส, ส่งความสุขใช่ไหมดังนั้นหลังการสง่งความสุข ก, ก็คือการแผ่เมตตาด้วยการกระทํา ส, ส่งความสุขไปให้เขาน่ิมีอะไรส่งไปได้ ยิ่ของแพงเท่าไหร่ยิ่งเขายิ่งยะรักเรามาขึ้นเท่านั้นนะส่งของถูกหรือของเสียไปให้เขาเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีแต่ววเมื่อมันเอาของทิ้งแล้วมาให้เราเนี่ยต้องเวลาให้ของอะไรกับใครจคึงควรจะให้ของดีๆกับเขาเพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เขามีความสุขถ้าเราไปให้ของที่เขาไม่ชอบของที่ไม่มีคุณค่าราคาให้ไปเขาก็รู้สึกเฉย เวลาจะให้อะไรบองทีเราก็ต้องคิดให้รอบคอบเว่าสิ่งนี้เขาเขาอยากได้หรือไม่เขาได้แล้วก็มีความสุขหรือไม่เรามีความสุขจากสิ่งนี้หรือไม่ต้ององคิดดูก่อนไม่ใช่บางทีสักแต่ว่าให้มันธรรมเนียมก็เลยหาซื้อของถูกๆไปซื้อไปก็เป็นดการทำธรรมเนียมทําไปอันนี้นมันก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ ให้ของที่เรารักเราชอบของที่เราเห็นว่ามีคุณค่าราคามากให้เข้าไปครับทองคํำลองซื้อเพื่อให้เขาสร้ยสักเส้นสักบาทยังไงสมงทองคำไปสักเส้นไม่มีใครเกลีดทองคําอ่ะ <laughs> เด็กชายไต้ักครับเรียนถามท่านพระอาจารย์พิจารณาธรรมจนใจปล่อยวางมีความรู้ว่ามานะลดปฏิฆะกับมานะเป็นกิเลสในวงเดียวกันหรือเปล่าครับ ปฏิฆานี่มันอยู่ในวงของการมาราคะเนี่ยมันต้องละการมาราคาปฏิฆาคือความมุ่งมิตรที่เกิดจากการมาราคามันก็จะไม่มีมรารณ์นี่มันก็เกิดจากการอถืออัตตาตัวตนเราเขาต้องพยายามลดตัวตนของเราลงทําตัวเราให้ต่ําทําตัวให้เราเป็นเหมือนขอทานหรือเป็นคนรับใช้อันนี้ก็จยละมรารณ์ได้ คุณพันธิว่าครับเห็นคลิปเผาศพคนตายตั้งแต่เป็นศพจนถึงเป็นเท่าฐานเห็นแล้วก็ปรงและไม่อยากจะไปหาเงินหาทองหรือลูกเมียอีกอยากจะไปบวชเพื่อหาความสงบผมคิดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วนะเรื่อแบบนี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นนักบวชเห็นเทววัตถุสี่เราเอาเอาทูตอันเดียวก็พอทูตสองเห็นพระแล้วก็เห็นคนตายก็พอ ในที่สุดชีวิตเราก็ต้องจบลงที่ความตายนะแล้วทุกสิ่งที่อย่างที่เราทํามาแ้าเป็นแทบตายนี้ศูนย์เปล่าไปหมดเลยเหมือนค้าวน้ําเหลวไม่มีอะไรที่เราเอาติดตัวไปกับาได้หลังจากที่เราตายขงางต่างๆในโลกนี้นะเราได้ก็เพีงแตบบ่บุญหรือบุญหรือบาปที่เราทำเท่านั้นเอง คุณแต้มสีครับพระอาจารย์ค้าขนาดนี้พระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์หลายรูปล้วนมีอายุเยอะและมรณภาพไปแล้วหลายรูปหากเราบวชโดยที่ไม่มีครูอาจารย์คอยนำทางคนคนหนึ่งจะสามารถปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตัวเองไหมคะก็ตอนนี้ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่พระตายปิดกเนีาพระเศสำคัญต่างๆที่ทำมาจกกวัตนาอาทตย์ญสสติประธานเสริญ ข้อสูตรเานี้ก็เป็นเหมือนกับคู่มือของการปฏิบัติเพิ่มไปค้านนิาพานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากกว่าถ้าเราได้ไปศึกษากับผู้ที่ได้มารธรรมแล้วเพราะภาษาของหนังสือกับภาษาของครูบาอาจารย์มันไม่ชัดเจนเท่ากันทั้งนี้อยู่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปแต่เวลาเราอ่านหนังสือนี่เรามั น, นมารวมกันหมดในประสูตรเดียวเราก็อาจจะจับจับต้นชนปลายไม่ถูกก็ได้ แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วใช้เวลาศึกษาไปทดสอบไปลองผิดลองถูกไปก็อาจจะสามารถบรรลุธรรมได้เป็นการธรจะชาติกว่าการที่มีครูบาอาจารย์คุณบีครับหากตอนนั่งสมาธิในขณะที่กำหนดอารมณ์แรกแล้วจูจ่ๆมีอีกอารมณ์เกิดแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและทำให้ไม่ทันได้กำหนดอารมณ์แบบนี้ควรปฏิบัติเช่นไรดีคะก็กลับมาที่อารมณ์เก่าที่เราเริ่มต้นใหม่ พยายามอยู่กับอารมณ์ที่เราเริ่มต้นอย่าไปเปลี่ยนถ้าอยู่กับลมไม่อยู่ลมไปให้ตลอดอยู่กับพุโทโธไม่อยู่พุโทโธไปตลอดมีแรแซ่าขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพยายามเกาะติดกับอารมณ์ที่เราเริ่มต้นมาคุณประชาครับนักปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจนเข้าสภาวะธรรมมีปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงถามว่าจิตจะ จ, จางคลายเบื่อหน่ายมองเป็นอนิจจังโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับ เราต้องมองเองเต้องมองทุกอย่างเป็นอนิจจังต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในการเกิดงาเห็นมีการดับมันจะไม่เห็น ม, มันเองมันเป็นวิชาที่เราจะต้องสอนใจให้เห็นคุณราวรรณครับการปล่อยเงินกู้กินดับเบีย้ยบาปไหมครับก็เป็นการค้าขายอย่างนึ่งเราเอาเงินเป็นสินค้าขายขายเงิน แ ร, แรกกับอ่ากกดอกเบี้ยก็อยู่ที่ว่าเราเลี้ยงดอกสูงหรือดอกต่ำถ้าเราหวังกําไรมากเราก็อาจจะมีความโลภมากแล้วก็มีความเมตตาน้อยก็ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงดอกเบี้ยต่ำหรือไม่เลี้ยงดอกเบี้ยเลยโดยแต่อยากจะช่วยเขาเราขาขดเงินขาดทองเราบางคนยินได้ก็ยืนไปอย่างนี้โดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเราก็แสดงว่าเรามีเมตตา ม, มาก อย่ถ้าเราจะคิดแบบเมียแบบทั่วๆั่วไปแบบที่เขาเรียกกันก็ไม่ก็ถือว่าเป็นการค้าทำเป็นการ ก, ไรไ ก, รการํ า, ากไรไม่เกิดควรเป็นกาค้าขายกําไรไม่เกิดควรคุณพระสิทธิ์ครับบ่ายวันนี้พระอาจารย์เทศการละตัณหาทั้งสามคือการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาแล้วการละโมหะอวิชชาเราละตอนไหนครับ ก็ละพร้อกันเนอะเพราะว่าโมหะถ้าลภาวะตัณหาได้ก็แสดงว่าเราละโมหะวิชาได้เพราะเรามีปัญญามาระภาวะตัณหาเนี่ยปัญญาก็คือการเห็นไตและการเห็นอริยสัจสี่แล้วมันมาเป็นพวงอ่ะกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาที่มันมาเป็นพวงความจริงเราเราเป็นละที่โมหะวิชาด้วยปัญญายสนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้นี่เป็นทุกข์ อันนี้แหะเป็นเป็นการละโมหาวิชาพอมีพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยละตัณหาตที่เป็นผลที่เกิดจากการไม่รู้จากการมีโมหาวิชาได้คุณสุริพรครับขอถามเรื่องการนั่งสมาธภาวนาเวลาที่เรานั่งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามอัตโนมัติของมันเองใช่ไหมคะวเวลานั่งสมาธิเราก็ให้มีสติอยู่กับ อารมณ์ที่เราตั้งไว้จะเป็นลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้แล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาตามลําดับของมันเองโดยอัตโนธเราไม่ต้องไปไปกําหนดว่าตอนนี้ให้เกิดอย่างนั้นตอนนี้ให้เกิดอย่างนี้เราไปกําหนดไม่ได้เรากำหนดได้เพียงแต่ให้ใจอยู่กับลมไม่ออยู่กับพุทโธเท่านั้นแล้วคุณสมบัติของชานต่างๆก็จะเกิดขึ้นเกิดวิตตกเกิดวิจาร์เกิดปิฏิเกิดสุขเกิดอุเบกขาตามลําดับขึ้นมา คุณมลทาครับปีนี้ลูกได้เสียคนรักในครอบครัวไปสองคนแล้วค่ะคนที่สามกำลังตามมาลูกจะต้องวางจิตยังไงดีเจ้าคะคเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สี่ก็ได้เอามาใช้เป็นการเจริญวานัสสติเพื่อทำให้เราพร้อมกับที่จะรับกับความตายเพื่อเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายเราจะได้ไม่ทุกคุณ อนอนง์ unknown, ครับในการพิจารณาอาการสามสิบสองเราจําเป็นต้องพิจารณาอาการทั้งสามสิบสองให้ครบหรือไม่หรือเพียงแค่ผมขนเล็บฟันหนังก็เพียงพอแล้วครับคือเราต้องการดูดูความไม่สวยงามของร่างกายนอาจะเลือกดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายขันนะเช่นโคลกันดูดเนี่ยหรืออวัวาายวะภายใ น, ภาย ใ, นภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นอาการเหล่านี้มันจะทําให้เรานบความ กามลาคะความยินดีที่อยากจะเสกการได้ความอยากเสกการมได้ะนนั้ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาทั้ง32ก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายนี้ว่าประกอบขึ้นด้วยอะไรแล้วก็พิจารณาทั้ง32อ่ากายเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าในในในอาการ32ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้ไม่มีตัวตนในจักอาการเดียวก็ เพื่อคลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกาย น, นี้มีมีเราอยู่ในร่างกาย น, นี้เราไม่ได้อยู่ในร่างกาย น, นี้ลอาค้นหาอยู่ในสามสิบสองอาการผมเป็นเราหรือเปล่าได้เป็นเราขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นเราไปนะเราตัดเล็บทิ้งเราก็ต้องหายไปกับมัน <foot ed name> ใช่ไหมใช่ครับเราใช้ตัด ก, กัดแบบนี้พิจารณาสารไปพอไล่ออไปครบสามสิบสองอาการก็รู้ว่าไม่มีตัวเราในร่างกายไรนี้ เป็นเพียงแต่ความคิดของเราเหมือนกับคนโบราณที่ไปคิดว่าโลกนี้แบ่มันก็เป็นความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นความจริงแต่จะเห็นใช้ก็ต้องใช้ความคิดมาประกอบใช้ปัญญามาประกอบเทียบกันดูสมัยก่อนจะรู้ว่าโลกกลมเขาทํำยังไง ร, รู้รับเขาดูเวลาเรือเข้ามาจากทะเลเวลาเข้าฝัง่งทําไมมองมาจากไกลๆทำไมมองเห็นเสาธงก่อนครับทําไมไม่เห็นตัวเรือพร้อมกัน แสดงว่าพื้นผิวที่ที่มาไม่เหมือนกับมันมันโค้งเว้านะครับต้องเห็นส่วนสูงของของเรือก่อนหรือเวลาที่เราเห็นคนขี่ม้าข้ามเขามานี่ยเราจะเห็นอะไรก่อนะเห็นถ้าก็เห็นคนขี่ก่อนถ้าก็มีธงปักไว้ก็ก็จะเห็นธงก่อนครับแต่ถ้าเห็นเราจะเห็นคนขี่ก่อนที่เห็นนัที่จะเห็นตัวม้ามันเพราะว่าพื้นที่คขขี่มันไม่กว้างมันไม่เรียบมันไม่แบน มันคงวา่าอันนั้นก็เป็นปากกาในการพิสูจน์ว่าความคิดของเราไม่ถูกความคิดว่าโลกนี้แบบไม่ถูกเช่นใดการดูอาการสามสองนี่ก็เป็นการใช้ตรร ก, กะเพื่อสอนแห้กใจให้เรารู้ว่าเป็นเพียงกับความคิดเท่านั้นเองที่เราไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายนี้เราเป็นร่างกายนี้นะพอเราแยกแยะชิ้นสวน่วนของร่างกายทั้งหมดออกมาเราก็จะมาเราก็จะพบว่าไม่มีตัวเราอยู่ในทั้งสามสิบสองอาการ เหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเราเราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเปา๋านะครับแต่เราไม่รู้ว่าลืมหรือไม่เราจะทํางานแล้วเราต้องเทของในกระเป๋าออกมาให้หมดใช่ไหมดูว่าของในกระเป๋านี้มีกุญแจอยู่หรืรอไม่ถ้เาเทออกมาหมดของที่อยู่ในกระเป๋าไม่มีกุญแจแสดงว่าเราจําผิดมันไม่ได้อยู่ในกระเปาะ๋านี้เราไปจําว่าเราอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้มีตัวเราเป็นเรา เป็นความจําผิดเรียกว่วามวิจาทิฏฐิความเห็นผิดเราก็ต้องมาแก้วความเห็นผิดด้วยความจริง เ, เทมันออกมาเลยเทร่างกายมันออกมาแบบอกแยบกบเป็นชิ้นส่วนไปเนี่ยเอามากองๆว้เลยเอาผมกองไว้กองเนี่นเอาหนังเอาเล็บอะไรเอาฟันกองไว้เหมกับพ่อค้าขายหมูในตลาดเนี้ยแยบกบชิ้นส่วนของของหมูไปเป็นชิ้นๆเป็นเป็นส่วนไปเนื้อก็อยู่ส่วนนี้ยกระดูกก็อยู่ส่วนเนี้ย ตับตายลําไส้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วไปหาคนอยู่ตัวหมูมันอยู่ในตัวมีตัวหมูอยู่ในอาการเหล่านี้หรือเปล่าไม่มีครับอันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาการสัสองเพื่อละอัตราตัวตนละความเห็นที่ว่าร่างการนี้มีตัวเราครับจริงนะครับอาจารย์ตอนผมผ่าตัดนี้ตัดลําไส้ตัดกระเพาะตัดปอดอะไรคนคนคนนั้นก็ยังอยู่อยู่ดีะครับอาจารย์ตัดสมอง เปลี่ยัผใจเขาเอาผู้ใจคนใหม่มาใส่ก็ยังเป็นคนเก่าอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับมไม่มีเขาอยู่ในนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอนวัยวะมันเป็นเครื่องเหมือนชิ้นส่วนของรถยนต์เนี้ยมันไม่มีในรถยนต์ไม่มีตัวเราตัวคนขับไม่ได้อยู่ในรถยนต์ตัวคนขับนั่งอยู่ในรถแล้วก็แยกออกจากรถได้เวลาลงจากรถพอเวลาไม่ขับรถก็ออกจากรถไปใจก็แบบเป็นคนขับร่างกายนี้ เอาเวลาใจไม่ใช้ร่างกายนี้ใจก็แยกออกจากร่างกายนี้ไปไ ม, ไม่มีเราอยู่ในนั้นจริงๆหว่าไม่เจอเลยมุบายวิธีใช้หลัตกตรกะครับคุณอัญญีครับทำอย่างไรจะเมตตากับคนที่เขาเกลียดเราได้โดยสนิทใ จ, จเจ้าคะแต่ต้องใช้ธรรมะตัวไหนเจ้าคะก็เบื้องต้นก็คือเราก็ ใช้หลักของอุเบกขาไว้ก่อนนะแล้วกันเฉยๆกับเขาไว้ก่อนว่าถ้าเรายัางทําใจที่จะไปเมตตาเขาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาไปเราจะไปมีมีปฏิกิริยากับเขาในทางที่ไม่ดีเฉยๆไปก่อนต่อไปถ้าเรามีกําลังมากขึ้นแล้วเขาอาจจะพิจารณาว่าเขาก็เป็นคนที่ต้องการความเมตตาเหมือนกันเหมือนกับเราชื่เราต้องการความเมตตา ถ้าเราอยากจ ะ, ะแผ่เมตตาแบบให้ครบบริบูรณ์ตามคำสอนคือสัพเพสสัตตาให้กับสปปรรพสัตว์ทั้งปวงเราก็เราส่งของขวัญลยเข้ายู่ในวันเกิดของเข า, เาทำแบบพังางๆก่อนแล้วทำแบบประชิด <c oughs> ตัวละทีเดียวค่อยๆทำไปแล้วทาให้เขาเริ่มมีความรู้สึกอ่ อ, อนกับเรานั้นต่อไปเขาอาจจะทักทายกลับมาก็ได้ขอบคุณเราอะไร ก็ต้องทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปคุณแต้มสีครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราใช่ไหมคะจิตมันเป็ น, ปนธรรมชาติที่รู้ที่คิดนะที่รู้สึกนึกคิดแต่มันไม่มีตัวตนในใ น, ในธรรมชาตินี้มันเป็นความความเข้าใจผิดของตัวที่คิดนี้เองตัวตัวจิตที่ไปคิดขึ้นมาเองว่าเป็นเรา ความจริงมันไม่มีเรามันมีแต่มีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเป็นธรรมชาติมันดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างมีความร้อนเป็นธรรมชาติของดวงอาทิตย์ดวงจิตก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมชาติถ้ามันทําไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาได้ คุณยวภ า, าครับเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเราฝากเงินของเราเองให้ลูกไว้เพื่อทําบุญไปให้เราดีไหมเจ้าคะบุญจะถึงเราหรือไม่ครับไม่ถึงเราต้องทําตอนที่เรามีชีวิตยอยู่ไปฝากลูกทําไมแล้วเกิดลูกมาไม่ทําบุญให้เราเราจะทํำยังไงทําไปเลยเมื่อเรารู้ว่าเงินตอนนี้เราไม่ต้องใช้เราก็ทําไปเลยเราได้บุญทันทีเป็นของเราเอาติดตัวไปได้เวลาที่เรดตายไปแล้ว แต่ถ้เกณฑ์บินพี่นายกรรมไม่ไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่เกณฑ์บินนายกรรมว่าจะขอมอบให้กับวัดทําบุญให้กับองค์กรนั่นองค์กรนี้ไม่ได้เลยไม่ถืาบาดเดียวแม้นะแต่ร่างกายของเราจะอุทิศให้กับแพทย์ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราอุทิศถ้าเราสละให้ตอนที่เราตายไปแล้วเพราะตอ น, นั้นเราไม่รับรู้เรื่องราวหล่านี้แล้วเพราะเราบุญเกิดจากเกิดที่ใจของเราเกิดที่ความรู้สึก ที่เราได้เสียสละแบ่งปันของที่เรารักเราชอบให้แก่ผู้อไปงั้วเราต้องรู้อาจารย์ครับคนนี้ถามต่อนิดนึงนะครับเขาบอกว่าแล้วถ้าเราที่พิจารณาการสารตัวสองเขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้อวัยวะเหล่านั้นหน้าตาอย่างไรสามารถจะจินตนาการได้หรือไม่คะก็ตอนเริ่มก็ไปดูในหนังสือก่อนเลนะดูหนังสือ Anatomy ก็ได้ที่สอนนักศึกษาแพทย์น เราอยากจะไม่ว่าการตลาดการมีรูปน่ารักสัณฐานงานก็ไปไปดูภาพก่อนแล้วก็เอามันนึ่งไปในใจของเราถ้าเราอยากจะเห็นภาพเนี่ยแต่ถ้ า, าไม่ต้องการเห็นภาพเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นอาการอาการแต่เห็นภาพก็ดีมั้ยกันจะได้เอามองกองกองไว้อ่ะแบ่งหนังไม่กองแบ่งผมไม่กองบ่งขนไม่กองหนึ่งเล็บแฟันไม่กองกองเป็นกองกองไปสามสิบสองกอง น้ำก็ใสยหลอดขดสายแก้วแต่ละแก้วเป็นน้ำเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ำนํำทะเลอะไรก็ใส่เป็นแก้วแก้วไก็จะได้เห็นว่ามันเป็นเพลงแต่อาการท่านหนึงเป็นสิ่งที่ที่เป็นมที่มีอยู่แต่ไม่มีตัวตนในสิ่งนั้นท่านหนึ่งเป็นธาตุเป็นธาตุาดินธาตุาน้ำธาตุโนห์คุณพัทระครับ คำว่าต้องมีความเพียรให้เสมอในอรยบททั้งสี่นั้นหมายความว่าอย่างไรครับก็ทําเพียรตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะา ย, ยืนนั่งนอนให้จจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำไอ้นี่น้อยอยู่ในท่านี้ทําน้อยหน่อยทําัอยู่ในท่านั้นทํำมากหน่อยอะ่างนี้ทให้มันเต็มที่ทุกท่าง่ายๆคุณอังคณาพรครับ เวลานั่งได้ระยะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงจิตนิ่งสงบอยู่อยู่ได้ออกมาโดยไม่ได้ตั้งตัวเกิดจากอะไรคะก็จากสติหมดกำลังเลมันก็ออกมาควบคุมใจไม่ได้เพราะไม้ไม่สติก็ควบคุมให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ออกมาเองคุณวีนาครับเรียนถามว่าถ้าคนไหนปรีกวิเวกนั่งสมาธิแล้วร่างกายอดอาหารมาแต่ร่างกายเกิดวูบ เสียชีวิตไปจิตของคนนั้นจะไปยังไงต่อคะและคนนั้นจะบาปไหมคะที่ทํำให้ตนเองเสียชีวิตเพราะตั้งใจอดอาหารทรมานตนเองครับไม่ได้ตายเพราะอดอาหารนะยากการที่จะตายเพราะอดอาหารมันไม่ใช่เป็นขอที่อยู่ดีๆมันจะตายได้มันจะต้องรู้ว่าอดไม่มีเรือกไม่มีแรงนะกินอดอาหารมาสี่สิบเก้าวันอยพางพระเจ้าเนี่ยยังไม่ตายเลยนะคนอาหารอดอาหารมันแค่มือสองมือ้อนันจะตายมันเป็นไปไม่ได้ ดนั้อย่า ก, กังวลนะว่าจะตายจากเกิดจากการอดอาหารแต่เวลาตายนี่บุญกบารมิย์มันจะทําหน้าที่อัตโนมัติของมันอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงใจไปทางทางนั้นบางมีกาลังมากกว่าก็ดึงไปทางอบายใจมีกาลังมากกว่าดึงไปทางสุขติอาจจะไปถึงนิพพานเลยก็ได้ถ้ามีถ้ามีบุญระดับนิพพานมันก็จะดึงใจไปนิพพานคุณมาลีครับ เรียนถามป้าอาจารย์ว่าจิตกับวิญญาณเหมือนกันไหมเจ้าคะเราเรียกจิตเป็นวิญญาณช่วงที่จิตไม่ได้อยู่กับร่างกายที่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตที่เราเคยเรียกว่าจิตด้ใจนี่มันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณไปอันนี้วิญญาณอย่างหนึ่งนะมีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เปลี่ยนชื่อมันคือวิญญาณที่ทําหน้าที่การรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะะที่มาทางตาหูจมูกนิ้วกาย มาให้ใจตอนนี้เป็นอีกตัวหนึงคนละตัวกับจิตที่เป็นวิญญาต์มวงิญญาต์คือตอนนี้ตัววิญญาณทตัวนี้อยู่ในในจิตที่เป็นวิญญาตอีกทีหนึ่คุณประชาครับถ้าต้องวางอุเบกขาควรจะวางทุกข์ของตัวเราเองหรือทุกของจากคนอื่นก่อนครับอ๋อของเราก่อนสิเราทุกการจะมา มันอะไรมันจะใครจะมาทําใจให้เราหายทุกข์ได้นอกจากเราเองนะ <c oughs> เมื่อเราทุกข์เราก็ต้องทําความทุกข์ของเราให้หายด้วยกา ร, ารวางวางอุเบกขากับความทุกข์นั้นให้ได้ก่อนส่วนทุกข์ของค น, คนอื่นนี่เราไม่วางอุเบกขาให้เขาไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราไม่เป็นทุกข์กับเขาเท่านั้นเอุเบกขาของเราเเห็นเราทุกข์ ก, ก็ช่วยไม่ได้เหลนเราทุกข์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเห็นเวลาร่างกายเจ็บปวดนั่งไม่หายนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางใจไป เห็นคนอื่นที่เรารักเขาทุกข์เขาเจ็บเขาปวดแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์ทางใจมันมีทุกข์สองระดับทุกข์ทางกายนะอย่าไปทุกข์ทางใจถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะไม่ทุกข์ทางใจแต่ั้นเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งทางใจและดีไม่ดีความทุกข์ทางใจนี้รุมได้กับความทุกข์ทางร่างกายด้วยั คุณชยาดาครับถ้าเราถูกเลี้ยงมาเหมือนคนรับใช้ในครอบครัวใหญ่จนเติบโตมาเรายังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจจะมีวิธีวางจิตยอย่างไรให้หายจากความรู้สึกนี้เจ้าคะเป็นความควมจริงเป็นความรู้สึกที่ดีนะพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําความรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนคนใช้เพราะจะทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้อย่างได้ดายอย่างสบายนะ เราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากเราใหญ่กว่าเขาโตเข ok าดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาตามความคิดแบบนั้นเป็นความหลคค่อมเราคิดว่าเราไม่มีตัวตนนั้นดีที่สุดไม่มีตัวตวนก็นคือเราเหมือนกับเป็นเราเป็นคนใช้อย่างไปเนื้อน้อยเนือน้อต่ำใจควรจะดีใจว่าเราได้ถูกฝุกมาดีให้เราเป็นคนให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนใช่ก็จะทําให้เราอยู่กับคนอื่นได้อย่างได้ไม่ไม่ไม่ไม่เดือดร้อน ถ้าคนอื่นเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ยกย่องเราให้เราเป็นเป็นนั่นไป น, นี่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนใช้อยู่แล้วยังเป็นสิ่งที่ดีอย่าก็อยากอยา ก, ยากให้ความรู้สึกนี้หายไปให้ความอยากให้ความรู้สึกนี้หายให้ความอยากให้หายไปนี้หายไปก็พอแต่อยา่าอยา่าถ้าเราทำทาใจเราให้เป็นผู้ผู้ผู้ตามได้นี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดี พระอาจารย์มีคำถามจากครับเฮาส์ครับขอพระอาจารย์โปรดเมตตาให้อุบายในการหลุดพ้นจากจิตผู้รู้ครับห ล, หลุดพ้นทําไมจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่เป็นตัวปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานต่างๆที่เราต้องการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเพราะตัวความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจส่วนจิตผู้รู้นี่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเัย คุณสมพรครับโยมมีจิตใจชื่นชอบวัดป่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยความที่โยมมีบ้านอยู่ในป่าในชนบทจึงชอบกลิ่นอายบ้านป่าเป็นทุนเดิมเพียงแต่ไม่เคยได้มาปฏิบัติธรรมสัมผัสจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวกับครูบาอาจารย์มีโอกาสโยมวางแผนมาถือศีลในคขมมะที่วัดยานโยมอยากทราบว่าในช่วงที่ยังไม่ได้มาถือปฏิบัติในคขมมะด้วยความที่ยังไม่ลงตัวเรื่องวันต้องรอช่วงได้แังงานช่วงปักร้อนจึงมาถือในคขมมะ กันได้ต้องปฏิบัติตัวที่บ้านอย่างไรบ้างครับเพื่อปฏิบัติในขมะแบบซ้อมไปพลางๆครับ<ช>อาจารย์ก็ก็ถือศีลแปดในที่บ้านถ้าที่เราจะทําได้ถือศีลแปดไปแล้วถ้ามีห้องพิเศษที่เราขออยู่คนเดียวมาให้ใครมาบรบกวนเราก็ขังตัวเราเองไว้ในห้องก็ได้ก็เขียนเขียนป้ายติดบ้านนี่สถานที่ปฏิบัติทรรห้ามรบกวนนะแล้วเราก็เก็บตัวเราอยู่ในห้องนั้นถือศีลแปดเดินยกมนั่งสมาธิ ถ้าเดินาไม่ได้ก็นั่งยืนวิธีที่จะสู้กับกิเลสวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือใหานั่งอยู่บนที่เก้ e, าอี้สบายๆอย่างเก้าอี e, ้ที่คุณหมอ น, นั่งอยู่เนี้ไม่ต้องทรมานนั่งกายอันนี้เราต้องการทรมานกิเลสคือความอยากปกติใจเราอนี้มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งตรงนี้เดี๋ยวมันก็อยากจะไปตรงโน้นไปตรงโน้นแล้วก็อยากจะมาทรงนี้ทําให้น้นนะเดี๋ยวก็อยากจะทําไม่นี่เอาเรามาดัสดสนานตอนนี้ดูให้มันนั่งเฉยๆบนเก้าอี้ที่สบายๆ แต่ไม่ให้ไปไหนให้ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วถ้านั่งแล้วมันเมื่ออนุญาตให้ยืนได้ยืนที่ข้างเก้าอี้แต่ไม่ให้ไปที่ให้ทาํายืนหลายหลายชั่วโมงแล้วถ้าหิวน้ำก็เอาขวดน้ามาตั้งไว้อย่าไปเดินไปหยิบน้ำกันเดยวต้องยอง้ำแคอย่างเดียวคือการฉี่ถ้าฉี่ในห้องได้มีกระโถนก็ฉี่ตรงเก้าอี้ก็ได้ก็คืออย่าไดบัคับไม่ให้มันไปแล้วสิ่งที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับ กับกิเลสตัวนี้ก็คือใช้พุโทโธก็ได้ใช้สติก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้การ น, นั่งสมาธิก็ได้แต่ห้ามใช้ของภายนอกกายเราใจเราอย่าไปเอาธรรมะมาฟังเอาหนังสือมาอ่านอันนี้ไม่เอาเลยเราต้องการใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเท่านั้นเองสู้กับความอยากเอานั่งดูสักห้ชั่วโมองเลยเพราะเราทําอะไรไม่ได้เก็เดินจงกรมไม่ได้ห้องนอนแค่ก็ใช้วิธีสู้กับกิเลสแบบนี้ให้มันนั่งอยู่กับที่ให้มันอยู่จุดเดียว เราอยู่ใช่ะนั่งได้สักกี่ชั่วโมงเราตั้งไว้สัก6ชั่วโมงอยู่ได้นม่นดีหลังจากกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้มื้อกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วมือม้อเดียวก็กินมื้อเดียวแล้วก็คหนวเวลาต่อไปที่6ชั่วโมงจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ไม่ดูไม่ฟังอะไรจะใช้ทุทโธใช้สตินหรือใช้การสวดมนต์หรือใช้การปัญญาพิจารณาทำไปก็ได้แต่จะไม่รู้จักที่นี่ถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้ ถ้ายืนไม่หายเมื่อ ก, กลับมานั่งใหมถ้าปวดฉี่ข้าวก็โถมวางไว้แล้วก็ฉี่ตรงตรงนั้นก็ได้ครับถ้าหิวน้ําก็เอาน้ํามาตั้งอยู่ข้างๆลองดูสิอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติเวลาที่เราไม่สามารถไปปฏิบัติที่ที่วิเวกได้ก็เอาขังตัวเราไว้อยู่ในห้องพบเคยทําแบบนี้เลยครับอาจารย์ที่อาจารย์สอนค <laughs> ร <laughs> ับ <laughs> เคยครับเคยครับอาจารย์ได้ครับได้ไม่นานแค่โอ้ได้ได้หายชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้เลย อาจารย์ไม่ง่ายนะจำไม่ได้โอ้โหดิ้มทรมานครับอาจารย์ไม่ง่ายเลยมันช่วยได้นะถ้าเราชนะมันต่อไปเวลาเราจะไปฝึกสติปอะไรยัง่ายขึ้นมันจะไม่ค่อยดื้ออะไรนั่งสมาธิก็จะนัได้นานขึ้นครับนั่งโซฟาสบายๆนะครับแต่ว่าเอ๊ะมาทำอะไรต้องนอนภาพนอนด้วยใช่ครับคุณวีนาครับ การเปลี่ยนถามว่าคนที่เพิ่งเสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างไปรับบุญรับบาปเลยใช่ไหมคะคนตายจะรู้ตัวว่าตนตายแล้วใช่ไหมและเวลาเราไปวัดพอกลับบ้านเราจะได้กลิ่นธูปหรืกินศพเพราะเราอุปทานใช่ไหมคะใช่กลิ่างูปนี่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราไปคิดปุงแต่งขึ้นมาเอส่วนคนตายนี่ก็เหมือนคนนอนหลับเวลา น, นอนหลับเราไม่รู้ว่าเราหลับและเวลาที่เราไปรับผลบุญใหม่ผลบุญผลบัลบก็คือเวลาที่เราฝันนี่ ถ้าเราฝันดีแล้วก็รับผลบุญถ้าเราฝันได้แล้วก็รับผลบาตคุณเข็มจิราครับกล่าวเป็นถามค่ะทุกใจเพราะภาระงานเจ้านายคาดหวังเพื่อร่วม ง, งานหวังรอพึ่งพาทุกแบบนี้เจ้านายและเพื่อนมีส่วนร่วมหรือไม่หรือเป็นตัวเราเพียงผู้เดียวครับเราเราอุปทานคิดไปเองนะส่วนเข้าจะหวังมาจากเราไหมมันก็เป็นเรื่องของเขาเอง เราไปคิดว่าเขาหวังเขาหว่วงอะไรเราแล้วเราไปทุกข์กับเขาเราจะไปทุกข์แทนเขาเสร็จล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าเขาไม่พอใจเขาอยากจะได้แล้วออกเราก็ต้องยอมรับกับความจริงไปว่าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ก็ต้องยินดีแล้วอยากไปทุกข์ที่ทุกข์เพราะอยากจะยึดติดกับงานไม่อยากจะถูกเ้าไล่เราออกเราก็ต้องพยายามเอาใจเขาให้ให้เขา พอใจกับการทำงานของเรามันเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นเราอย่าไปทำแบบนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็กทาหน้าที่ของเราตามที่เขามอบหามากมแล้วกันทำให้ดีที่สุด้างเขาไม่พอใจเขาอยากจะเปลี่ยนคนใหม่ก็ต้องทำใจว่างานนี้อาจจะไม่ได้เป็นงานของเราเสียแล้วก็ได้แต่เราจะได้ไม่ทุกข์ขึนมา คุณต้นครับหากเราต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับแต่ชาตินี้ไปควรปฏิบัติเริ่มต้นอย่างไรคะมองชีวิตแล้วมีความรู้สึกมากขึ้นว่าการเกิดการดำรงชีวิตล้วนเป็นภพทั้งสิ้นทุกวันนี้พยายามฟังพระธรรมเทศนาทำทานรักษาศีลและภาวนาตามที่มีโอกาสและตั้งใจจะทำเรื่อยๆไปคะ่ะก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยทำแบบที่คุยกับคุณหอได้ครับทำกันเลยนะนั่งเฉยๆสักข้าวช่วโมงไม่ต้องทำอะไรลดความอยาก เพราะความอยากไปนู่นมาเนี่หละเป็นตัวที่คอยดึงจิตหเราให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำจิตให้มันอยู่เฉยๆได้ไม่ไม่อยากไปนู่นมานี่มันก็ไม่ไปเกิดทำได้หรือเปล่าท่นนั่นเองหยุดความอยากคุณขวัญวนานครับมีคนบอกว่าการทำสมาธิภาวนาจิตต้องดิ่งทุกครั้งถึงจะรวมจิตได้จริงหรือไม่คะ คือการเด่งนี่มันมีหลายลักษณะเยมันเด่งแบบตกจากที่สูก็มีน่งแบบเหมือนกับขาดใจก็มีมันจะมีอาการที่รู้สึกว่ามันพลิกหน้ามือเป็นทั้งหมือจากอาการที่รู้สึกหนักอกหนักใจการเป็นเบาขึ้นมนมันบางครั้งก็เหมือนกับทอนหายใจเฮือกมันก็นี่งสงบไปแต่มันต้องมีอาการที่มันแปลกจากปกติทำให้เรารู้ว่าเมื่อกี้จิตเราคิด ปูแต่วุ่นวายตอนนี้จิตเนื่งสงบหายความวุ่นวายไปแต่มันจะมีอาการพลิกของมันอยู่ถึงจะรู้ว่าอจิตเราเข้าสมาธิแล้วคุณสมพรครับคนที่เรียนหนังสือเก่งจนจบเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกคนเหล่านี้มีปัญญาในการเรียนหนังสือได้ทําตนให้เป็นผู้มีปัญญาในการก่อนใช่ไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับก็การมีปัญญามันก็มีได้สองทาง ในทางโลกกับทางธรรมปัญญาในทางโลกนี้ไม่มีประโยชน์ในทางธรรมถ้าอยากจะได้ทางธรรมก็ต้องมาศึกษาทางธรรมใหม่เรียนวิชาใหม่เช่นจบด็อกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ก็เก่งแต่างคณิตศาสตร์อาจจะไม่เก่งทางด้านฟิสิกส์ถ้าอยากจะเก่งทางด้านฟิสิก์ก็ต้องมาเรียนทางด้านฟิสิกส์แต่ก่อนได้มีปัญญาเรียนสมส่วได้เลยแสดงว่าโอกาสที่ก็าจะมาเรียนทางธรรมนี้ โอกาสที่ก็จะเรียนสำเร็จมันจะมีมากกว่าคนที่ไม่มีปัญญาเรียนทางโลกทางวิชาอื่นทางธรรมก็เป็นวิชาหนึ่งวิชาทางโลกเพราะทางธรรมจริงๆก็เป็นวิชาแบบวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องของตรร ก, กะเรื่องของเหตุผลเรื่องของความเป็นจริงแต่มันเป็นความจริงของโลกด้านจิตใจที่เป็นวิชาที่ยากต่อการศึกษาเพราะว่าไม่มีใครเห็นหเห็นจิตใจ ก็จะเห็นจิตใจก็มาอาศัยการฝึกทางสมาธิเท่านั้นถึงจะเห็นจิตใจได้แต่ถ้ามีปัญญาเรียนปัญญะจบปิญญาเอก ง, ง่ายอย่างพวกพวกหมอเนี่ยมาตรวจ น, นะพรถ่ายขั้นสมาธินปแล้วนี่ถ้ามาทางปัญญานี้ไปได้เร็วยิ่งเฉพาะวิชาคล้ายกันด้วยเนี่ยเครื่องเหนึ่งของวิชาทางธรรมก็เกี่ยวกับร่างกายเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่หมอก็รู้อยู่ทุกวันเจออยู่ทุกวัน เรื่องของอาการขาที่สองหมอก็เจออยู่ทุกวันอัฐภาคก็เจออยู่ทุกวันะหมอไม่เรามาใช่ว่าไม่มีอุเบกขาดึนก็มาใช้ไม่ได้ทุกกิเลสเนี่ยก็ไปใช้ทางทางกิเลสแต่พอมาฝึกสมาธิได้อุเบกขาแล้วนี่พอจะมาเจริญทางน่างกายนี่โอสามารถแก้ปัญห า, ากายไนดะ้อย่างรวดเร็วคุณกิ่งดาวครับ สภาวะของพระนิพพานเป็นอย่างไรเจ้าค่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วเมื่อเราระลึกถึงท่านในช่วงที่เราทุกข์ใจท่านรับรู้ได้หรือไม่คะถ้าไม่รับรู้แรอแม้กระทั่งท่านมีชีวิตยอยู่ท่านก็มานั่งรับรู้เรื่องราของเราเนืองไข่เน่ามันนิพพานก็คือเจที่สงบตลอดเวลามีความสุบอยู่ตลอดเวลาปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็คือนี่คือนิพพาน คุณเด็ดพลครับขอเรียนถามว่าขณะที่กําลังยืนเช็ดผมอยู่หน้ากระจกหลังจากสระผมเสร็จจู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าถ้าตายตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้จิตสุดท้ายจะเห็นอะไรแล้วเกิดภาพที่เคยทาบุญไหลเข้ามามากๆอยากเรียนถามว่าคืออะไรครับก็เป็นความปรุงแต่งหัวใจเราด้วนเองความคิดปรุงแต่งมาไปไม่ไม่มีไม่มีสาระไลยพราะเรื่องเวลาเราตายในจิตสุดท้ายนั่นเองบุญหรือบาปจะเป็นพวกอะ เป็นผู้จัดการกับจิตของเราว่าจะดึงจิตเราไปทาไหนนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดนังด่งไึกให้เสียเวลาเพราะมันไปดับตโนบัตคุณวัฒนวันธนีครับอยากทราบสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดแบบที่เข้มข้นและเต็มที่กับการปฏิบัติเพราะเวลาน้อยขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะก็เราไปปฏิบัติกับทางสายทางภาีสานเดทางมุรทางสกล วัดป่าต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะวัดที่เป็นสายของครูบาอาจารย์ที่ร่งรับไปลเช่นสายของน้องตาบาราบูของน้องปู่ขาวน้องปู่ฟันอะไรต่างๆเนี้ยของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอาจจะต้องกาส า, า, ายการศึกษาตางไปทานถ่ายเดียวอาจจะเป็นเริ่มต้นที่วัดได้วัดหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในวัดนั้นทั้งวัดจะรู้วัดต่างๆมาวัดไหนปฏิบัติแบบไหนเข้มข้นขนาะ คุณอุศนีครับการฝึกให้สติเกิดในระหว่างวันจนจิตเสะเทียนและมีความตั้งมั่นได้เราควรฝึกแบบไหนได้บ้างคะพระอาจญรับก็หลายวิธีเราจะใช้คำวบริกรรมพุโทโธก็ได้นั่ึกคำพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่มีความจําเป็นที่ต้องคิดและจิตชอบคิดเราก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุธโทโธไปหรือเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของน้ําใจเราในทุกระยะบุตก็ได้อันนี้เป็ น, ปนการฝึกสติให้ตั้งมั่น ไม่ให้ใจลอยไปลอยมาคุณจาครับการเป็นแฟนคลับศิลปินนักร้องต่างประเทศเป็นบาปไหมคะและควรวางตัวเป็นแฟนคลับยังไงดีคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกก็เป็นเพียงแต่สินค้าประเภทอย่นั้นเองที่เราให้ความสุขกับเราเท่านนั้นเองแต่มันเป็นสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายจากความสุขอจาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เวลาที่ศิลปินเหล่านั้นหมดชื่อเสียงไปแล้ว และไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้เพราะเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ที้งแท้แน่นอนคุณบ้านสวนทำครับพระอาจารย์ครับทําอย่างไรเมื่อเกิดโทสะกับราคะครับก็หยุดมันเบื้องต้นก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเรื่องที่เราเกิดความราคะาขึ้นมาหยุดด้วยสตินก่อน ถ้าเราหยุดได้สตินะขั้นต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุของความโกรธก็คือเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้พระเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธถ้าเราไม่ต้องการโกรธก็อยากประยากได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปเขาจะทํำยังไงก็ได้เราก็จะไม่โกรธเขาส่วนล่ะคะก็อยากได้สิ่งที่เราอยากได้ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง เช่นอย่างได้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามันก็เป็นของไม่เที่ยงแต่มาแล้วเดี๋ยวความสุขได้จากมันเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปแล้วในเวลากระเป๋าหายไปนั่นก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นไปอีกพิจนะารณาความไม่เที่ยงถ้าเป็นข้าวของต่างๆถ้าเป็นน่างกายของคนเราพิจนะารณาความไม่สวยงามของน่างกาย <c oughs> คุณรักครับหมามีเห็บเยอะมากค่ะเราเอาแป้งกําจัดเห็บทาก็ทําให้เห็บก็ตายไม่ทําก็สงสารหมาเราจะทําอย่างไรดีคะก็อย่างว่าก็ต้องเรื่องเราอย่างไรอย่างไรก็วิธีที่ทําให้เห็นไม่ตายนะจากเห็บออกมาที่ตัวสองตัวแล้วก็ไปทิ้งมันคุณขวานครับพุทโธไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยพร้อมกับนั่งฟังธรรมไปด้วย แบบนี้ถือว่ามีสติหรือกําลังผูกสร้างครับหรือควรแยกไปจับอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าครับไม่ถือว่าเป็นการมีสติถ้าอยากจะมีสติต้องให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวฟังธรรมก็ฟังธรรมไปอย่างเดียวไม่ต้องดูมไม่ต้องพูโทโธถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่างนี้จะได้สติเพราะาต้อง ก, การรวมจิตให้เป็นหนึ่งคุณเล็กครับ กาวในพการพระอาจารย์ครับการถือศีลแปดสามารถทำมอชเชเลอร์เพื่อป้องกันผิวแห้งแตกและทากันแดดเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังผิดศีลไหมคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ทำได้แตถ่ถ้าเป็นเรื่องของความสวยงามก็ไม่ควรทำมีคนถามธรรมะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ต้องตายทั้งนั้นเราเองก็ต้องตายเป็นธรรมอันเดียวกับสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาถูกต้องใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแม้แตแม้แต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลเช่นข้าวของเงินทองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดนั้นไม่ดับรถยนต์ผลิตออกมาใช้ไปสักพักมันก็พังคลายเป็นเศษขยะไปให้กันอีกอันทุกสิ่งทุงอย่างต้นไม้ใบหญ้าก็มีเกิดมีตายเหมือนกัน แม้แต่ดวงดาวแต่ละดวงมันก็มีเกิดมีดับอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธรรม น, นี้เป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาคุณริงจักครั บ, รบโยมเคยมีความคิดว่าอยากจะไปบวชชีอยู่ที่วัดนานนานแต่มีคนบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะกับการอยู่วัดนานนานแบบนั้นไม่เหมือนกับผู้ชายที่สามารถบวชเป็นพระได้เป็นผู้หญิงไม่สะดวก อยากกลับเรียนคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีวันที่เขาให้อยู่บวชอยู่ได้ตลอดชีวิตก็มีมีสำนักไม่ถี่ก็มีนั้นแล้วแต่วัดที่เราไปเอางวัดเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้อยู่นานก็มีอย่างวัดยานนี้เขาไม่ให้อยู่นานเห้อยู่ได้ครั้งลไม่เกินเจวันเพราะที่เขามีน้อยเขาต้องการที่จะเปิดโอกาสให้มีให้เปลี่ยนให้มีคนอนาคนมามาสัมผัสมาอยู่กันก็เลยไม่รับคนให้อยู่อย่างถาวร นั่นก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละวัดค่ละกันแต่ละสำนักมีวัดหรืสำนักแม่ชีที่รั้งแม่ชีอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยก็มีในจังหวัดชนบรีก็มีเขาเรียกสำนักแม่ชีสาวิกาพุทธสาวิกาอะไรอย่าเงี้ยลองค้นหาดูในในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ถ้าอยากจะไปบวชชีแล้วอยู่ที่นั่นก็ไปศึกษาไปขอไปสมัครขอให้อยู่เขาก็อาจจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบดู ความจริงใจของเราความสามารถของเราว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าใหม่ๆเขาอาจจะให้อยู่ชั่วคราวก่อนแต่ถ้าอยู่ไปแล้วรู้ใจการชอบกันพอใจกันเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังจะทำํำจะเป็นผู้มีประโยชน์ต่อศาสนาต่อไปเขาก็ยินดีที่จะรับให้เราอยู่กับเขาไปตลอดท่า น, นอยู่แต่ละวัดมันไม่เหมือนกันคุณแพทย์ครับ ค่ะการเป็นถามค่ะแล้วเราคืออะไรและอยู่ที่ไหนกันคะเราผู้รู้ผู้คิดเไงเีลาเราไม่คิดว่าเราเป็นเรานแน่บางทีเราเป็นผู้คิดผู้รู้นะคเราเป็นธาตุรู้ง่ายๆธาตแต่ไม่มีเราท่านรุรไม่ใช่เราแต่เราไปคิดว่าท่าตุรู้เกันเรางงไหยเหมือ <c oughs> นนองในกระจกแล้วถามว่าใครเป็นใครเป็นของตัวจิตกนันแนแต่วที่เราอยู่ในกระจกหรือตัวที่ิกำมันอยู่นอกกระจก ดูไม่ออกนะนกนมันไม่เห็นเลี้ยเลยนั่นอย่าไปรู้วิธีจะรู้ว่าไม่มีเราก็คือทําใจสงบแล้วไม่มีความคิดพอไม่มีความคิดแล้วตัวเราก็จะหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอาจารย์ครับคํำถามสุดท้ายครับผมถามเองเลครับวันนั้นได้หนังสือสติปะถานสี่ที่ที่น่ากุดพระอาจารย์ครับในในฐานที่แรกที่บอกว่าดูลมหายใจ ยาวก็รู้สั้นก็รู้เนี่ยครับคุณจินหมายความว่าเราต้องรู้ว่ายาวหรือสั้นด้วยล่ะครับหรือว่าเรารู้แค่ลมหายใจก็พอครับอาจารย์มันก็จะรู้ของมันเองเวลามันหายใจเวลาเวลาใหม่ๆก็รู้สึกว่าหายใจสั้นแต่เราเวลาๆรู้สึกเอ๊ะลมมันเปลี่ยนนะเมื่อก่อนมันสั้นพอจะพอใจสงบขึ้นน่าท้าบะนิ่งขึ้นไมัก็เริ่ม หายใจ ย, ยาวก็รู้เฉยๆไม่รู้ก็ได้ถ้าไม่รู้ก็ได้แต่ให้รู้อยู่งอมเฉยๆให้ลู้เข้าออกย่างเดียวก็ได้เพราะพ อ, พอรู้สึกอย่างนั้นมันเหมือนเป็นตัวปรุงแต่งอีกชั้นหนึ่งเขาไปจับว่ามันยาวหรือมันสั้นอ๋อ น, นี้ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ไปปรุงแต่งว่ามันยาวหรือมันสั้นให้รู้ตามธรรตามความเป็นจริงของมันเองครับอาจารย์ครับงั้นครับรู้ว่ามีหมาออกมาเห็นมีแมวเข้าไปก็รู้แบบนั้นแค่เฝ้าดูเเฉย แต่ยาวจะสั้นเราไม่ได้กำหนดเลยปล่อยมันไปใช่เป็นมาเป็นมา ว, นว่ามันก็เป็นมาเป็นยาวไปเยแต่อย่าไปบังคับเราให้มันยาวแล้วใช่ไม่ให้จิตทำงานให้รู้งเฉยๆอย่างเดียวัแต่เรารู้งบัับวันนี้มีเพื่อนๆใน Facebook ฟังอยู่เจ็ดมิถุนายนสามสิเอ็ดคนใน y o u ูทูบแปดร้อยแปดสิบหกคนในกราฟหาวสิบเจ็ดคน วันนี้มีคนฟ <sorta> ังธรรม 1,619 คนครับอาจารย์ค <Near> ร <the 2000 cc> uh ับ oh: วันนี้เยอะนะกลาวันก็เยอะวันนี้900กว่าเกือบพันหนึ่งันนี้พันไปคนที่น่าซาลาประมาณ170กว่า180คนที่มาทาที่น่าก็ดีวันนี้เยอะนเยอะเยในวนอาทิตมันอาจจะเป็นเพราะันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยคนเยอะเลยก็ดีใจที่มีคนสนใจในธรรมทาให้การทางานของเราได้มี ในความสุขที่เห็นว่าได้ทำคุณทําประโยชน์ให้กับคนเพื่อนมนุษย์รวมโลกเลยกันเพื่อที่จะได้แบบเบาลดละความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้น้อยไปแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเลขว่าอาจะได้แั่นี้แค่นี้ต่ดีใจที่ที่คนเยอ ะ, สะแสดงว่าเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์จากธรรมนเสพานของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ฝ่ายทําไปเรื่อยๆเพราะตัวแข่งทาช น, า น, นะลดทําง การแสดงสลักว so right ันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินดิ้นพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอขอทูกรักหนัวและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเดิมวันฉลองพรบัขอบคุณอาารครับ